ก็ในเช้าวันนี้ก็ได้ไลฟ์สดขอเจริญพรกับดวงทุกท่านที่ได้ติดตามชมรูสึกค่อนข้างจะรับชมกันกวางขวางขึ้นกว่าเดิมเท่าที่ได้ทำไลฟ์มาก็ทำให้ได้ได้เทศดีตลอด คงจะไม่ได้ผิดเพกง่ายๆนะพอเย็นติดตามกันอยู่แต่ถ้าติดไม่ติดตามกันก็จะได้ปิดแต่ถ้ายังเห็นติดตามกันอย่างนี้ก็คงจะได้ไลฟ์อยู่เรื่อยๆตามแต่โอกาสเท่าที่จะมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้ ยอมรับพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตหรือเอามาเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเรายอมรับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องนำทางชีวิตเพียงแค่การนับถือแต่เราไม่ได้เรียนรู้การที่เรายอมรับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องนำทางชีวิต อยู่ในชั้นของการนับถือโดยที่ไม่เรียนรู้นั้นจะทำให้เกิดความงม ง, งายเพราะเราก็จะประพฤติหรือ ว, ว่าปฏิบัติกิจทางศาสนาเพียงแค่พิธีกรรมนั่นคือการที่เราแสดงออกถึงความนับถือต่อพูทศาสนาการแสดงออกถึงความนับถือต่อพูทธศาสนาโดยการประกอบพิธีกรรมปรามมาเห็นว่านั่นไม่ได้ชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความนับถือจริงๆ เป็นเพียงแค่นับถือผ่านพิธีกรรมแสดงความเคารพต่อพุทธศาสนาทางด้านพิธีกรรมมันไม่เชื่อว่าเป็นการนับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้นับถือพระธรรมไม่ได้นับถือพระสงฆ์ที่แท้จริงพอการนับถือที่แท้จริงจะต้องเป็นการนับถือโดยการศึกษาเรียนรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระธรรมความเป็นพระสงฆ์ให้ถ่องแท้การที่ ได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างของแท้แล้วนั่นแหละจึงจะชื่อว่าเป็นการนับถือเพราะว่าในคำพุทธการเหล่าพารามทั้งหลายเขาจะมานับถือพระพุทธเจ้าได้เขาก็ต้องศึกษาเรียนรู้คําของพระพุทธเจ้าก่อนว่าในาหลักคำคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนอย่างไรมีหลักการอย่างไรมีใจความอย่างไรมีเนื้อหาแห่งการสอนให้ประพฤติธปฏิบัติอย่างไรพอถึงจะนับถือพอเลื่อมใสและนับถือแต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้รู้คําสอนอะไรเลย แต่ถูกให้ประพฤติปฏิบัติในด้านของวิธีกรรมและตีกรอบให้กระทำในสิ่งที่ถูกปลูกฝังไว้ว่าต้องทําอย่างนั้นนั้นอย่างนี้ต้องทําแบบนี้ผิดจากอย่างนี้ไปไม่ได้เราก็แสดงออกทุ่งพรมักถือโดยการปฏิบัติตามพิธีกรรมนั้นและยึดถือหลักปฏิบัตินั้นว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยนั้นน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อความงมงายและก็ความงม ง, งายก็เกิดขึ้นแล้ว แต่เราไม่ได้ยอมรับความงมงายนั้นแต่มีคนในสังคมที่พูดหรือกล่าวถึงเรื่องความงมงายนี้กันทั่วทุกหัวแหลงว่าการกระทำบางอย่างในด้านของพฤติกรรมนั้นเป็นเรื่องของความงมงายแม้จะมีการพูดยังไงก็ตามก็เป็นเพียงแค่คําพูดจากเสียงเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ดีเป็นเสียงที่ดังเข้าไปในหูของคนที่ ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบในทางพุทธศาสนาอยู่เลยเป็นแค่เป็นแค่เสียงที่ถูกมองจากทัศนคติผ่านการศึกษาหลักพระธรรมถ้าเรามาศึกษาหลักพระธรรมอย่างแท้จริงแล้วศึกษาพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมศึกษาพระสงฆ์ให้รู้และเข้าใจแล้วมองผ่านการศึกษาเรียนรู้นั้นไปถึงพฤติกรรมแห่งการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมที่ปฏิบัติ พอพุทธศาสนาในชั้นของการประกอบพิธีกรรมแสดงออกถึงความนับถือในแค่กิจพิธีทางศาสนามันทำให้รับรู้ได้ถึงความงมงายในสิ่งที่ทำเพราะหลักคำสอนเป็นหลักสัจจ์คนที่มองสิ่งเหล่านี้ผ่านหลักคำสอนก็จะพูดได้ว่าการกระทำในชั้นของพิธีกรรมนั้นเป็นเพียงแค่ความงม ง, งายเพราะบุคคลผู้นับถือนั้นมุ่งประกอบพิธีกรรมกันอย่างเป็นกิงเป็นจั ง, เ, จงเหมือนดังว่า ที่ทำนั้นประดุดดังแก่นสารสาระของศาสนาทําออกกันจริงกันกจัิงจนแบบจะเป็นจะตายกันนะเอาแบบนี่แหละคือสาระสําคัญแล้วอย่างเงี้ยทากันอย่างนั้นทุ่มเทกันทําให้ความสําคัญกันทําแต่ให้ความสําคัญในด้านหลักคาสอนน้อยมากใช้หลักคําสอนกันไม่ค่อยจะเป็นในชั้นของเมตตก็ไม่ค่อยจะใช้กันในชีวิตประจําวันไปใช้พยาบาทอาฆาตจงเวียกันมากกว่าในชีวิตประจําวันนะคร หมุ่งไล่กันคิดไล่ต่อกันปรารถนาไายต่อกั น, น, กนมันมันสอให้เห็นความอ่อนแอทางาศาสนาของคนผู้นับถือเพราะเราอยู่เพียงแค่พิธีกรรมพอประกอบพิธีกรรมมาทุกคนมีมีความพร้อมเพียงกันเป็นอ่นเดียวกันแต่ในตอนเป็นชีวิตจริงเราไม่สามารถใช้หลักธรรมเป็นอันเดียวกันได้ในสังคมในองค์กรในที่ต่างๆทําไมถึงมีความอิจฉาริษยามีความกันแกล้งมีการ กดขีมเห็นมีการเอาระดับเปรียบกันอะไสิ่งเหล่านี้เนื่องเพราะว่าเรามีศาสนาเป็นเพียงแค่พิธีกรรมในการปฏิบัติแสดงออกถึงการนับถือทางด้านพิธีทำไปไปพอเป็นพิธีผมพูดง่ายๆศาสนาเป็นศาสนาแห่งสัจจะที่เรารับเข้ามาสู่ชีวิตเพื่อยึดถือเป็นเส้นทางในการ ด, ดําเนินหรือว่าเป็นเครื่องสองทางในการดําเนินชีวิตของเรา เราจะมาทําเป็นเพียงแค่พิธีกรรมนะมันจะไม่เรียกว่าความงมงายหรือก็เรีกว่าอะไรเพราะฉะนั้นการที่ได้พูดถึงหลักศาสนาโดยความเป็นจริงของศาสนาเพื่อให้คนได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็สนใจเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าพิธีกรรมนั้นจึงเป็นสาระสาคัญมากกว่าที่จะเราจะไปให้ความสําคัญหรือพูดถึงเรื่องพิธีกรรมเป็นสาระแก่นสารเพรา ะ, ะนั้นพิธีกรรมเป็นเพียงแค่สการแสดงออกถึงการนับถือแต่เราอย่าหยุดเพียงแค่การนับถือ เราจะต้องก้าวเข้ามาสู่การปฏิบัติโดยการศึกษาเรียนรู้คําสอนถ้าเราไม่เรียนรู้คําสอนแล้วแน่นอนว่ายากมากที่เราจะรู้จักตัวพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่แท้จริงและเราจะไม่รู้จักว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรในศาสนาที่จะเป็นเครื่องชี้นําและบอกทางเดินให้แก่ชีวิตเราได้ตัวเนี้การเรียนรู้จึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญสมาก็จะได้นําเรื่องราวก า, การถามตอบปัญหาที่มีผู้ได้ถามเข้ามาเกี่ยวกับ ธรรมารมอันนี้เป็นชั้นของผู้เรียนรู้นะจะไม่ไม่ดีชั้นของผู้ทำพิธีกรรมใดๆนั้นในชั้นของผู้เรียนรู้ได้ถามเข้ามาว่าเรื่องของธรรมารมมันคืออะไรแล้วก็เรื่องของกิเลสเกิดจากธรรมารมหรือเปล่าหรือเรื่องของอนุัยหรือเปล่าที่เป็นตัวกิเลสการที่จะระบุระบุลงไปว่าอะไรคือกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสนะ คือกิเลสเราต้องพูดถึงกิเลสก่อนนะว่ากิเลสเนี่ยเราใช้แทนแทนแทนอะไรอาการอาการหนึ่งหรือว่าสิ่งหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในในด้านด้านชั่วร้ายที่เราจะต้องกำจัดอะไรโอเคเนี้เป็นเป็นชื่อเรียกเป็นตัวแทนแต่โดยภาษาทางธรรมที่พงษ์ทรงใช้นะ่ะกิเลสมันมีข้อจำกัดของมันอยู่แล้วมันไม่ได้นับไปรวมถึงพวกอวิชชา ตัณหาอุปทานอะไรพวกนี้ไม่ใช่อวิชาตัณหาอุปทานพวกนี้มันเป็นมันเป็นอะไรเป็นมูลหรือว่าเป็นเชื้อที่นําเราไปสู่ภพแต่ตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่จะนําเราไปสู่ภพนี่พูดในเชิงทางคำนะโดยภาษาที่ผูเ้เจ้าทรงใช้นะไปดูอุปกิเลสสิบหก ว่าเครื่องอะไรวะเครื่องเศร้าหมอง จ, จิตใจมันทําให้จิตเศร้าหมองแต่มันไม่สามารถทําให้เป็นเชื้อเพื่อจะนําไปสู่พบกิเลสนะแต่สิ่งที่จะนําเราไปสู่พบเป็นเชื้อที่นําเราไปสู่พบคือปัญหาอุปทานอวิชาตัญหาอุปาทานตัวเนี้ยเป็นเชื้อนําเราไปสู่พบ ถามาอาอิจฉาตันหาอุปทานเป็นกิเลสไหมมันไม่ใช่กิเลสโดยโดยภาษาธรรมมันไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเชื้อที่จะนําเราไปสู่ภพที่โวโลงตาเลยว่านันดิลากะสหคตาตตระตตลาที่ทันดีนีตัวเนี้ยคนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของตันหาอาิชฉาตันหาอุปทาน น, นนั้นเลยแต่ตัวกิเลสจริงๆเนี่ยเป็นแค่อารมณ์หรือเป็นตัวธรรมอารมณ์เป็นตัวธรรมอารมณ์ที่แสดงออกถึงสภาพแห่งจิตที่สัมผัสกับ บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสิ่งนั้นก็เกิดเป็นอารมณ์ภายในใจเป็นธรรมอารมณ์ครับอารมณ์กระทบใจอย่างที่เราพูดถึงกันเมื่อวานเนี่ยธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่มาตามธรรมดาของมันคือตัวที่มาจากซอกซอกห้วยใช่ไหมซอกภูเขาแห่งซอกเขาที่ไหลลงสู่ห้วย มีศอกเขาอยู่ห้าสายใช่มล่ะเมื่อฝนต ก, นกนลงมาฝนเหมือนกับว่าเป็นอายตนะภายนอกที่มากระทบเหมือนเม็ดฝนเนี่ยมากระทบหรือตกลงสูง่คลองแห่งจักสู่คลองแห่งโซตัดตก ล, ลงสู่คลองแห่งคนะคื อ, คอการดมกลิ่นริมรถการสัมผัสทางกายคนที่มีกายประสาทมืนชาอย่างเงี้ยไม่รับรู้อะไรเนี่ยจะเกิดเป็นอายตนะสัมผัส สิ่งดสิึงได้ไหมไม่ได้เพราะมัน it ไม่มีปรากฏการรับรู้อะอะไรมากระทบแต่ไม really ่ไม่ไม oh ่เกิดการรับรู้ไม่มีกายสัมผัสมันก็กระทบเฉยเฉมันก็ไม่มีการถูกต้องอะไรกันในการรับรู้อย่างเงี้ยหมายว่าอายตนะทางกายเสียหายไปใช่ไหมแต่ถ้าอายตนะทางกายยังมีอยู่กายภาษาที่เกิดการรับรู้อยู่เมื่อสัมผัสถูกต้องก็เกิดการรับรู้ในสิ่งนั้นเหมือนกับว่าฝนมันตกลงมาในซอก ข้าศอกตามหัวจบุกดิ้นกาใจน่ะซอกพุ่ซอกเขาเนี่ยแล้วจะไหลลงไปสู่บึงหรือห้วยบึงหรือห้วยพวกเนี้ยไอสิ่งที่ไหลลงไปสู่บึงหรือห้วยพวกเนี้ยเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์ห้วยหรือบึงเนี่ยพวกเนี้ยเป็นมานายตนะเป็นมานายัตนะคืออายัตนาทางจิตอายตนาทางใจอะไรเนี่ยคือคือมันเกิดจากจิตเป็นตัวรองรับ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะไหลรวมไปสู่ใจทั้งหมดเลยในสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราดมกลิ่นรีมรสการสัมผัสเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นตัวทําอารมณ์จึงไปปรากฏกับใจการที่อารมณ์เหล่านี้ไปปรากฏกับใจจึงมีอาการแห่งความชอบใจหรือไม่ชอบใจใชออไ่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมทําไมทุกที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเพราะเป็นตาสัมผัสรูป เกิดการรับรู้ขึ้นเรียกว่าจาับปูบิญญานอาการทั้งสามนี้เรียกว่าผัสสะใช่ไหมสัมผัสผัสสะเนี่ยผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนา <c oughs> เวทนามีอะไรบ้างสุ ข, สขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะเนี่ยคือเวทนามีอยู่สามเมื่อเราสร้างว่าเวทนามีอยู่สาว่าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อาการแห่งความสุข ชอบใจไหม ช, ชอบใจนี้เป็นอะไรโสมนัสหรือโพมนัสโสมนัสเนาะนั่นอุเบกขาเวทานาภายนอกมีสุขทุกไม่สุขไม่ทุกเวทานาภายในมีโสมนัสโพมนัสแล้วก็อุเบกขาสรุปแล้วเวทานานี้เท่าไหร่หกภายในภายนอกใช่ไหมภายในภายนอกทีนี้ เมื่อโสมนัตโมนัตพอใจไม่พอใจในนั้นเวทนาเวทนามีอยู่สามประการเนี่ยสุขพอใจโสมนัตทุกข์<อ>ไม่พอใจโภมนัตไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเฉยเฉยเห็นไหมมันจะเ ก, เ, กเกิดเกิดเกิดเงาซ้อนเกิดเกิดเวทนาซ้อนขึ้นมาภายในทีนี้ถามว่ากระบวนการหรอเนี่ย ตั้งแต่ตาสัมผัสรูปเกิดการรับรู้ในสิ่งที่เห็นแล้วไปผัสสะกระทบเป็นเวทนาเวทนาแล้วเกิดส่อมองเสียสิ่งที่ทำให้จิตส่อหมองหรือเครื่องส่อหมองของจิตเสียใจนี่ศ่องมองไหมศ่อหมองก็เป็นกิเลสเอง การที่เราไม่ชอบให้เป็นแบบนั้นก็คือเสียใจนั่นแหละไม่ใช่เหรอโทรมานับอ่ะมันเป็นกิเลสแต่อาจจะไม่ใช่เชื้อแห่งพบเข้าใจไหมถามว่ามันสามารถเป็นเชื้อแห่งพบได้ไหมเป็นได้แต่มันเป็นได้เราต้องพูดว่าเป็นได้โดยที่มีเหตุปัจจัยอื่นอีกก่อให้เกิดเป็น พออระอาดีเจ้ามีความเสียใจไหมก็มีไม่ใช่ไ ม, ม, ม่มีนะแต่ไม่มีความอยากแล้วแต่ไม่มีอวิชชาตัณหาประทานในสิ่งเหล่านี้งั้นพระพุทธเจ้าจะบอกเลยว่าพออระอาดีเจ้าทั้งหลายก็มีอายตนะบัปปุเหมือนคนทั่วไปเวทนาปรากฏเหมือนคนทั่วไปแต่ไม่ได้อยากให้มันมีอยู่แบบนั้นไ ม, ไม่ได้อยากให้ไม่อยากเป็นแบบนั้นมีอยู่คราวังหนึ่งที่พระพุทธเจ้า ถามภาษาลิบุตรว่าการที่เราประนามพวกเธอเนี่ยทั้งภาษาลิบุตรพระโมคลานะประนามที่ว่าพาภิสูจใหม่เข้าไปเฝ้าพุทธองค์แล้วพิสูจใหม่พวกเนี้ยส่งเสียงกันอื้ออึงเสียงดังมากพระเจ้าก็ไม่ชอบใจเห็นไหมไม่ชอบใจไหมไม่พอใจไม่ชอบใจไม่พึงใจการเสียงดังอย่างนี้ก็บอกอานอนท์ว่าอานนท์มันเสียงอะไรเหมือนดังชาวประมงแย่างปลากันเราไม่ชอบใจเสียงนั้นเห็นไหม โผมนัสไม่ชอบใจแล้วมาจิตที่เป็นโสมนัสจะแสดงความไม่ชอบใจได้ไหมแต่พระองค์ไม่ใช่ว่าเสียใจหรือว่าไม่ชอบใจเพราะอาการแห่งความไม่รู้องครู้แต่พระองค์แสดงอาการแห่งความไม่ชอบใจเพราะจะแสดงให้ทราบถึงอาการแห่งการส่งเสียงนะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่ความเป็นสมณะเพราะพระองค์ชอบความเงียบความสงัดใชนไหมหละ่ะ ชอบการพูดน้อยอย่างเงี้ยแต่พอมีชอบไม่ชอบถามว่าชอบไม่ชอบก็เป็นราคะปฏิฆะสิก็ไม่ใช่สิแต่เราไม่รู้จะอธิบายคําว่าราคะปฏิฆะในภาษาไทยอย่างไรแต่ราคะในภาษาของของพระธรรมะเนี่ยราคะไม่ใช่โสมนัสปฏิฆะไม่ใช่โทมนัสความเป็นชื่อคนละชื่อโสมนัส ก, ก็บอกยังแล้วพอใจยินดีใช่ไหมล่ะ โทรมาแล ก, ก็ไม่พอใจไม่ยินดีแต่ราคาปฏิฆานี่มันมันลึกกว่านั้นลึกกว่าแค่ความพอใจหรือไม่พอใจเงี้ยมันลึกกว่าผู้ยากกงจัดราคาปฏิฆาได้หมดแต่ยังมีอาการแสดงออกถุ้ความเสียใจหรือไม่เสียใจคือไม่ใช่เศร้าโศกเสียใจแบบแบบบูรชนนะแบบว่ามันจะมีมันเป็นอาการทางจิตเป็นเวทนาที่เป็นกิริยาที่มันแสดงออกอยู่โดยธรมรมดาซึ่งกระทบสัมผัสรับรู้ เมือนกับว่าไปแตะไปสัมผัสกับความร้อนมันต้องร้อนเมื่อพระเจ้าไปสัมผัสกับความร้อนแล้วพระองค์บอกไม่ร้อนเนี่ยพระองค์โกหกไหมพระองค์โกหกเมื่อสัมผัสกับสิ่งที่มันทําให้เกิดความไม่สบายใจเป็นโภมน่าเป็นสิ่งที่โพรคไม่ชอบใจพม ก, ก็ต้องบอกว่าเราไม่ชอบใจเสียงนั้นไล่พิสูจเหล่านั้นไปเสียสังพระอดุพระอดุก็ไปบอกภาษาริบุลโมคนาดมากพระองค์ไม่ชอบใจไม่พึงใจไม่ปรารถนาต่อพิสูจใหม่เหล่านี้ซึ่งส่งเสียงดังพองค์บอกให้ออกจากอาวาสขับไล่ออกไปเสีย คำว่าจิตที่เป็นโสมณัตจะไปไล่คนอื่นได้ไหมแต่พวกไล่มีเหตุนะไม่ใช่ไล่เหตุเพราะไล่เพราะพยาบาทอาฆาตจองเวรหรือว่าไล่เพราะอำนาจของโพสากนะเข้าใจไหอพวงไล่เพราะมีพวงมีเหตุเพื่อต้องการแสดงธรรมฟูร์เจ้าก็บอกว่าอพอไล่เสร็จแล้วโ็อาะนุ์ที่สุดเรานั้งไปไหนแล้วพวกองก็ไล่หนีไปแล้วท่านก็ไปอยู่แถวโนั้นแหละอยู่รอบๆบริเวณอาวาสนี่แหละในปานั่นพระเจ้าค่ะ เออนั่นเป็นเรื่อที่สูรนั้นกลับมาใหม่พี่ <c oughs> คือพอพอเสียงเงียบแล้วจิตใจพงศ ก, ก็สบายขึ้นไ่ไงเออก็เรียอเขาเข้าขมาใหม่พอเข้ามาใหม่นะี่ิสูจนที่มาใหม่นั้นก็โอ้พระเจ้าให้โอกาสเราเนีย่ยมันไม่ได้ชงขับไล่หนีเสียเลยทรงยังให้โอกาสพวกเราอยู่ครั้งต่อไปเราจะต้องมีเสียงเงียบกว่า น, นี้พงศต้องการที่จะฝึกสอนพิสูจเหื่อนี้ให้เกิดความสังเวจใจคือพงศ์คิดไว้ในใจแล้วแหละจะให้พิสูจเหล่านี้เกิดความสังเวจใจแต่พองค์จะต้องใช้ใช้ สภาพแห่งจิตที่ปากร ต, ตามความปจริงนี้เพื่อกระทําออกไปเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งเป็นการถูกคนสอนคนอย่างหนึ่งอย่างนี้ทีนี้พิสูจกลับเข้ามาไหมแล้ว ม, มีเสียงเงียบลงแล้วโคมก็เรียกพระสารีบุตรโกโมคะรณะเข้ามาการที่เราประนามพวกเธอเมื่อกี้นี่นะ่ะเราขับไล่ประนามพวกเธอว่าการกระทําของเธอไม่ดีตอนนั้นเธอคิดอย่างไรจิตเธอคิดอย่างไร <laughs> พระสารีบุตรก็เลยคิดว่า ข้าพงศ์คิดอยู่ว่าหากพุทธองค์เป็นผู้ทรงผลขวายน้อยในการสั่งสอนไม่พึงพอใจในการที่จะสอนคล้ายๆกับว่าไม่มีแจ่ใจที่จะสอนคนอย่างนี้ข้าพงศ์ก็จะขนขวายน้อยในการที่จะไม่สอนคนอยู่อย่างความสงบวิเวกประดุดดังพุทธองค์ไว้จะาพากุยโยกบอกว่าสารีบุตรความคิดนี้ของเขยยังเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นมโนทุจริตอยู่ ใช่ว่าในจิตของพระรหันใช่ไหมแต่ในิจิตนั้นไม่ใช่ความเป็นราหันนะความเป็นราหันมันอยู่นอกจิตอยู่แล้วอย่างที่อธิบายเมื่อวานนี้อยู่นอกขันใช่ไหมไม่ได้อยู่ในขันนะแต่สภาพแหงความเป็นไปของจิตก็คือความเป็นไปคือการที่จิตมันโน้มไปในเรื่องถ้าจะโน้มไปในเรื่องใดก็ก็เป็นในเรื่องนั้นโพ่อมาบอกว่าตามหลักของพืชสาเนี่ยการคิดอย่างนี้เนี่ยการที่จะเอาประโยชน์แต่ตนฝ่ายเดียวเนี่ยถือว่าเป็นมโนทุจริตไม่ยอมบอกไม่สอนยอนสอนไม่ยอมแนะนําคนอื่นถือว่าเป็นมโนทุจริต แต่เข้ามา บ, บอกสอนคนอื่นมันแตกต่างจากการเข้ามาโอ้อวดตนเองเพื่อที่จะสอนคนอื่นมันแตกต่างกันนะบางคนนี่โอ้อวดเพื่อที่จะสอนคนเข้าใจว่าตนเองรู้ตนเองมีความสามารถตนเองเข้าถึงธรรมตัวเองบรรลุธรรมอย่างใดหนึง่งแล้วไปสอนคนด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นเพื<ไ>่อที่ต้องการสาวกต้องการลูกศิษย์ต้องการใครอะต้องการคนเข้ามาศรัทธาเรื่องไสยศาสต์ การมุ่งมุ่งอย่างนั้นเพื่อว่าเป็นการโอ้อวดในการสอนอย่างนี้ปาธนาราบสากาัการะการแสดงออกอย่างนั้นแม้จะสอนธรรมะก็จริงอยู่แต่ธรรมะนั้นก็เป็นศัพท์ธรรมปฏิรูปธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมะแท้อย่างนีน้การที่บอกสอนออกไปต้องเป็นการบอกสอนออกไปเพื่อต้องการบอกความจริงนี้ทางศาสนานี้ต่อคนทั้งหลายมันเหมือนกับเป็นเพื่องสอนให้รู้ว่าที่สุดเราใดก็ตามที่ทํากิจประโยชน์ตนเองถึงที่สุดแล้ว ไม่พึงนิ่งนอนใจอยู่สเสวยสุขอันเกิดแต่วิเวกภายในตนเองโดยส่วนเดียวพึงแนะนำทำอันควรรู้แจ้งแก่ชนเราอื่นด้วยอย่างเงี้ยอย่านิ่งนอนใจอย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้โลกเขาเข้าใจยากเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยหรือพูดออกไปแล้วเราก็ไม่รู้จะอธิบายให้คนเข้าใจได้ยงไงเพราะสภาพธรรมมันอยู่เหนือการอธิบาย ไม่มีความขนขวายในการเพื่อที่จะอธิบายให้คนได้ทราบอย่างนี้อันนี้คือว่าเป็นการตั้งคิดไว้ผิดเป็นโมโนทุจริตทีนี้พระเจ้าก็ระถามพระโมกขาลานะเธอคิดอย่างไรโมกขาลานะข้าพรองค์คิดว่าหากพระองค์ไม่ทรงอพอใจในการสอนเป็นผู้ขนขวายน้อยโน้มแต่เป็นในวิเวกอยู่อย่างนี้ข้าพงค์นี่แหละจะสอนสา ม, มาาา <laughs> พวกเองเพื่อจัาฆ่าพระโมกขะคิดอย่างนี้นะ ผูเจ้ากกันดีแล้วโภคารนะที่เธอคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วอย่างนี้หละนี่แหละพิสูจนที่เราต้องการแตกต่างกันนะพราะเราหันสอนรูปเนี่ยเป็นอักขระสาวกนะเบื้องซ้ายเบื้ขวาเนี่ยแต่ทัศนคติแตกต่างกันทําไมถึงเ ป, เป็นอย่างนั้นภาษาลิบุตรเอาพุทธองค์เป็นหลักเห็นไมพระพุทธองค์เป็นอย่างไรภาษาลิบุตรจะโน้มต่างอ๋อพระองค์ทรงผลขลวัญน้อยเราก็จะผลขลวัญน้อยเราก็จะบานพลุระในการสอนคน แตพ่พระโมคคลานะเนี่ยไม่ได้เอาพุทธองค์เป็นหลักเอาเอาการสอนธรรมมาเป็นหลักเพราะพระโมคคลานะนี่เห็นคุณค่าจริงๆพระสาราีบุตรก็เห็นนะเพียงแต่ว่าพระโมคคลานะนี่เห็นเห็นอะไรเห็นประโยชน์อันจะเกิดขึ้นแก่คนมากกว่าเพราะไปเที่ยวนรกบ้างไปเที่ยวสวรรค์บ้างคือไปเห็นคนตนนกนรกมาเยอะอ่ะโอ้ยพวกนี้ทําอย่างนี้ตนนกนรกเต้ไปหมดเลยไม่ได้เราต้องเราต้องบอกคนว่า ทางไปนรกมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราไปเห็นมาแล้วไอ้คนนี้ไปตกนรกอย่างนี้คนที่เกิดจากในบ้านหลังนี้เกิดตระกูลนี้ชื่อนี้ไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์สรรายดิฉันเปรตีปีศาจภาษาริบุตไม่เห็นอย่างนั้นนะเข้าใจไหมพระพ่อโมคณะเห็นก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องบอกคนสอนคนพวกไม่สอนก็ตามแต่เราจะสอนเพราะทำนี้เป็นธรรมที่พ้นทุกข์ได้จริงพ้นจากทุกขติวินิบาณอบายภูมิทั้ง4ี่ได้จริง ไปสวรรค์ก็ไปเห็นคนไปขึ้นสวรรค์อ๋อเพราะคนมาปฏิบัติกิจนิสศาสนาอย่างนี้นับถือพระรัตนตยนับถือข้อปฏิบัติรักษาศีลทำธรรมะที่เจริญปัญญาไปสู่สวรรค์ไปสู่ความดุจพ้นอย่างนี้เห็นประโยชน์อย่างนี้จึงแนะนําคนจึงบอกสอนคนแต่พระสารีบุตรท่านไม่มีไม่ไปเห็นอย่างนั้นแต่มีปัญญารองพุทธองค์ความแตกต่างกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตก็คือจิต จะเป็นบุตรชนหรือพระอริยเจ้ามีสภาพเดียวกันเป็นเพียงแต่ว่าพระอริยเจ้าทำท่านคือท่านทำท่านให้พ้นจากการยึดถือในขันในจิตทั้งมวลท่านเลยนม่ยึดถือจิตไม่ว่าจะเป็นจิตใดๆก็ตามจิตที่ประกอบไปด้วยโสมนัสโภมนัสหรือเฉยๆท่านม่มีการยึดมันมีการแสดงออกก็แสดงออกตามธรรมดาก็ท่านท่านไม่มีการยึดแต่บุรตรชน มีโสมนัตดีใจยึดไหมยึดในดีใจยึดยังไงเห็นไหมเป็นราคาเนี่ราคาดุใสราคาดุใสโสมนัตยึดไหมฮะไม่อยากให้เกิดคือยึดใช่ไหมยึดเป็นปฏิคานุใสอุเบคาดุเฉยเนี่ยยึดไหมตอนนั้นมีรู้แหละ เนี่ยเห็นไหมไม่รู้ก็ยึดแล้วนะยึดด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยึดยังไงคือไม่รู้นั่นแหละมันยึดแล้วเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> การไม่รู้นั่นเองมันถูกยึดไปเองอัตโนมัติเอามันยึดได้ยังไงเพราะแสดงกิริยายึดไม่ได้ไม่มีกิริยาอย่างการยึดอย่างน้อยสมนัสเรายังมีแสดงกิริยาอย่างการยึดคือพอใจยินดีปรารถนาะหรือว่ า, อ, าอะไร ปกป้อ ง, งหัแข้งหัวกันอะไรไว้ทีเนี้ยจะไม่หล่งปกป้องอารมณ์ที่ดีหัวแห้งอารมณ์ที่ดีรักษาจิตที่ดีเนี้ยปฏิข้ารูา้ใสเออโ ท, โทรมาบก็ยังแสดงออกในการยึดอย่างเต็มที่ว่าไม่ชอบใจไม่ไม่พอใจหรือว่าปฏิเสธอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยไม่เอาอย่างเงี้ยผลักดันออกไม่ต้องการแต่เฉยเฉยนี่เห็นแสดงออกอะไรไม่นเป็นการยึดได้ยังไงก็ อ, อาการที่ไม่แสดงออก ก็เป็นอาการแห่งการยึดพอมิรู้มันยึดอยู่แล้วในตัวของมันมันถูกยึดไว้แล้วเข้าใจไหมทีนี้กระบวนการแห่งตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายรับการถูกต้องแล้วไหลรวมไปสู่ใจใช่ไหมจิตกระโนมเอียงไปในอาการนั้นเป็นผัสสะใช่ไหมผัสสะขอให้เกิดเวทนา สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมีเวทนาภายในคือโสมนัสโทมนัสอุเบขากิเลสเกิดหรื อ, อยังกิเลสเกิดตอนที่เราอยากอยากให้มันคงอยู่เพราะถ้าเเป็นโสมนัสเรก็อยากให้มันคงอยู่นานๆกิเลสเกิดตอนนั้นใช่ไหมทีนี้เรามาพูดถึงคําว่ากิเลสกั น, น, นทีนี้คือโดยภาษาธรรมกิเลสคือเครื่องเศร้าหมอง ป็นเครื่องเศ้อหมองแต่มันอาจจะไม่ใช่เชื้อแห่งภพแต่เป็นความเศร้าหมองแต่ไม่ใช่เชื้อแห่งภพเชื้อแห่งภพคืออะไรอวิชชาตัณหาอุปทานพวกนี้เป็นเชื้อแห่งภพนะอวิชชาตัณหาอุปทานนี้ไม่ใช่กิเลส แต่เป็นเหตุให้เกิดพบใหม่เนี่ยภาษาธรรมมันซ้อนอย่างเงี้ยพรเราถูกภาษาโลกกดมหมดแล้วทีนี้เมื่อเราพูดถึงกิเลสเราก็ต้องพูดถึงอวิชชาตันหาอุปทานด้วยคือโดยภาษาโลกแต่โดยภาษาธรรมมันไม่ใช่โดยภาษาธรรมอวิชชาตันหาอุปทานไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเหตุให้เกิดพบใหม่ หเห็นไหมกิเลสสามารถสงบบได้ด้วยอำนาจของสมถะเอาวิชาตัณหาอุปทานดับได้ด้วยอำนาจของมัคคจิตวิปัสสนาด้วยมัคคิจิที่เห็นพรนิพานเห็นไหมการทำลายแตกต่างกันนะเพราะนั้นกิเลสทำลายด้วยความ ความสงบคือสมถะถูกไหมไปอยู่ที่ที่สงบไปอยู่ที่มันวิเวกกิเลสไม่เกิดแต่อภิชาตันหาอุปทานยังมีอยู่เพราะถ้าเราไม่อธิบายอย่างนี้แล้วนะเราจะแยกไม่ออกเราอาจจะว่าเอกิตใจเร า, เบาสบายหรือว่าคนสามารถขค่มความโกรธสงบระงับความโกรธได้ข้อเจ้ากิเลสหมดมันไม่หมดเอกิเลสหมดจริงแต่ว่าอภิชาตันหาอุปทานยังมีอยู่ หาเขาข่มกิเลสได้แล้วโดยข่ค ม, ค, มความข่มจิตลงสู่ความสงบให้จิตสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดขึ้นแต่เขาไม่ภาคเปลียนที่จะกําจัดอวิชชาตันหาอวท า, านเขาก็ไม่สามารถพ้นจากทุกข์ในอาบายวุฒิได้เขาก็ยังยังอยู่ในวงจรอวตารเพราะฉะนั้นภาษาธรรมที่อธิบายต่อโลกให้เข้าใจเนี่ยโลกข้อเมารวมมาทุกอย่างเป็นกิเลสหมดเล จริงๆไม่ใช่ภาษาของพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอาวิชาตัญหาอุปัตทานเป็นกิเลสไม่ใช่นะพวกนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเชื้อแห่งภพเป็นสมุ ท, ทยัยแล้วกิเลสนี้ก็ไม่ใช่สมุ ท, ทยัยถ้าไม่ใช่สมุทัยมันคืออะไรมันคือทุกข์ขั้นยัจจ์ ความโกรธเป็นทุกข์ขัดจังนะจัดอยู่ในสังขารขันมันไม่ใช่มันมั น, ม น, ม น, มนไม่ใช่เชื้อแห่งพบนะถามว่าเป็นกิเลสไหมเป็นเพราะฉะนั้นกิเลสจะสามารถเป็นไปสู่พบใหม่ได้ก็มันจะต้องไปปกอบด้วยอวิชชาหมายถึงว่าเวลาโกรธเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอวิชชาถึงจะนําสู่พบใหม่แต่ถ้าโกรธโดยไม่ นำไปสู่โกรธโดยที่ไม่มีอวิชชานำสู่พบใหม่ไม่ได้มงคลก็บอกว่าล้มตามมาหาบัวนี่เทศดุเทศเทศใา ย, ยังมีความโกรธอยู่เขาบว่านี้โอ้ท่านยังมีกิเลสอยู่มีกิเลสก็ถูกแต่ว่ากิเลสนั้นไม่ประกอบ ด, ด้วยอวิชชาจึงไม่สามารถนำไปสู่พบใหม่พราท่านสินณสวะเนี้ยคือเครื่องหมักดองภายในจิตไม่มี คือธรรมชาติที่จะทําให้จิตไหลไปตามหน้นอย่างความโกรธไม่มีแต่ท่านสลองแสดงอาการเห็นความโกรธออกมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสั่งสอนเนี่ยเพื่ออบรมเพื่อบอกก็ชี้ทางก็เพื่อบอกแนวทา ง, ออาทางตรงเนี้ยแต่ที่ท่านเคยอธิบายบอกว่าขันทั้งหมดเนี่ยมันเคยเป็นเครื่องมือของกิเลสมายาวนานแต่เมื่อทำเข้ามาแทนที่ในใจอย่างเต็มสมบูรณ์แบบในจิตแล้วเมื่อจะแสดงออกไปก็ต้องแสดงออกผ่านขันใช่ไหมแสดงออกผ่านอย่างอื่นไม่ได้ เมื่อแสดงออกผ่านขันขันซึ่งเคยคุ้นเคยกับกิเลสบายาวนานจึงแสดงออกไปด้วยความคุ้นเคยเหมือนกับเป็นกิเลสแต่จริงๆแล้วมันแทรกด้วยธรรมทีนี้คนไม่ได้มองที่ธรรมคนมองที่กิเลสจึงไปจับเอาเอาอาการแห่งการแสดงออกของท่านมาเป็นเป็นกิเลสเข้าใจว่าท่านมีกิเลสอยู่นี่คือความคิดของบุรุษชนไม่ได้มองที่ตัวธรรมาก พอเข้าใจไห้พระพุทธกโกรธขอผเนี่ยจเปลี่ยนโกรธยังไงที่ไ ม, ไ, ไ, ไม่ใช่อวิชาโกรธยังไงไม่ใช่อวิชารก็ต้องรู้พระนิพพานพระนิพพานสามารถดับอวิชารนะ์ได้พอาะบุตชนยังไงโกรธก็ต้องมีอวิชาร์ประกอบพร้อมในมูลเหตุของมันอยู่แล้วบุตรชนโกรธนาสูบพบแต่พระอริยเจ้าโกรธไม่นําสูบพบ พระโสร บ, บันกโกรธเพราะพระโสร บ, บันยังกําจัดความโกรธไม่ได้นะโกรธแต่ไม่นําสู่พบที่แปรนำไปแค่เจ็ดพบแล้วไปพบเบื้องสูงไม่ไม่ไปเพบเ บ, บื้องต่ําไม่ไปสู่พบเบื้องต่ําแต่บุตรชนเมื่อโกรธนาไปสู่พบเบื้องต่าได้แต่พระโสร บ, บันโกรธจะโกรธแค่ไหนก็ตามอ่ะหน้าดําหน้าแดงโกรธสุดๆโกรธจัดๆจั ด, จ ด, จดๆแค่ไหนก็ตาม และตายในเวลาโกรธที่โกรดนั้นก็ไม่ไปสู่ภพบเบื้องต่ำไปสู่ภพบเบื้องสูงซึ่งไม่เกินเจ็ดไม่ไม่ถือเอาภพที่แปดแน่นอนยืนยันนี่คือองค์คุณแห่งอริยมรรคอริยผลแสดงให้เราผู้ชมเนี่ยโกรธพอใจไม่พอใจนี่ด้วยอริชาก็นําสู่ภพของตนหมดเลยแต่พระริยเจ้ามีอารมณ์โกรธเหมือนกันเพราะจิตก็คือจิตเข้าใจไหม เราต้องเข้าใจว่าจิตเนี้ยเป็นโลกิยะโลกุตะละคือสิ่งที่อยู่นอกกิตเหนือจิตจิตเนี้ยมันเป็นพวกเกจตสิกปรุงแต่งเป็นโลกิยาคนนี้เป็นชั้นของวตตะเป็นธรรมราของโลกพกูดง่ายว่าจิตเนี่ยจะไม่มีทางบทไปจากวัตตะสงสารนี้เพราะอะไรมีเกจตสิกเป็นผู้ปรุงปรุงแต่งให้มีเข้าใจไหม เมื่อมีรูปมีดินน้ำไฟลมยังมีอยู่ตราบใดตราบนั้นรูปยังต้องรวมตัวกันฟากฏเป็นรูปเป็นก้อนโลกเป็นมนุษย์ตราบใดที่ยังมีเจตสิกจิตย่อมต้องมีจิตดวงนี้ถูกพระนิพานา พ, พ, นพานสัมผัสพระนิพพานดับดับการก่อตัวเป็นอัตตาดับการก่อตัวเป็นจิตที่จะวนเวียนเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยดับเพึ่เขานิ้พาน สัมผัสที่ผานแล้วครา น, นี้ผานปับ๊บตัวที่ปรุงแต่งเกจิสิทธิที่ปรุงแต่งมานานไม่สามารถปรุงแต่งตัวตนใดใดได้พอมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วดับแล้วปุ๊บเข้าปับ๊บพอเข้าแล้วก็๊บสาบศูนย์แต่ไม่ได้หายหายศูนย์ศูนย์หายเข้าจะไหมคือสาบศูนย์จากการวนเวียนไม่มีการเวียนตายเวียนไม่จิตดวงนั้นจะไม่มีการเวียนตายเวียนเกิดพระเตมีไบ้ตายจิตดวงนั้นออกจากพระเตมีไม้ไปเกิดเป็น มหาชนกจิตมหาชนบตายเกิดมาเป็นเนมิลาชจิตพระเนมิลาชตายเป็นโมโหสด <c oughs> <c oughs> นะอยนี้จนมาถึงพระเวสันดอนได้ไหมเนี่ยเกิดตายเกิดตายวนเวียนอย่างนี้นะในวัด ต, ต่อจนมาถึงพระเวสันดอจิตพระเวสันดรดับเพ้บก่อเกิดใหม่เจตสิกเรามันปรุงแต่งเองเข้าใจไหมปรุงแต่งให้เกิดจิตใหม่ขึ้นมา โดยอาศัยเชื่อเป็นสิทธาราชกุมารสิทธาราชกุมารบาเพ็ญจิตตัวนี้สัมผัสกรรับวิญญาณปั๊บเจตสิกที่จะปรุงแต่งให้มีตัวตนอีกในจิตของสิทธาราชกุมารเนี่ยไม่ได้เพราะความเป็นพุท ธ, ธะบังเกิดขึ้นคือความเป็นสมบูรณ์ในในสัมความเป็นสมมาสมุทธ h มีนิพพานสัมัสนิพานแล้วจะไม่สามารถปรุงแต่งให้ไปเกิดเป็นใครอีกในโลกในวัฏฏะสงสารเนี่ยสารเฉลดคบขูมเนี่ย คือเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์คือหายสาบสูญจากการวนเวียนแต่มีใครเราว่ามีความใครเราว่ามีนิพพานเป็นเป็นที่ตั้งในเบื้องหน้าคือยุติการเวียนว่ายตายเกิดหยุดอยู่ตรงนั้นหยุดอยู่ที่นิพพานทีนี้ระบบของเจตสิกโดยธรรมธรรมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเมื่อไม่ปงไม่สามารถปรุงแต่งจิตสิท ธ, ธัาราชกุ ม, มานได้แล้วดับจากการเวียนว่ายแล้ว จดวงอื่นสามารถก่อตัวขึ้นมาใหม่ได้อีกยังสามารถปรุงแต่งหรือสามารถก่อตัวให้มีจิตดวงใหม่ขึ้นมาได้อีกเจตสิกพวกนี้ยจึงไม่หมดออกไปจาดจั ก, กรวาลจึงจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาอีกไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไร่จึงจะต้องมีคนเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอีกไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหร่จึงจะต้องมีกองพุกสืบเนื่องยาวนานและยาวไกลไปอีกไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรใช่ไหม มนุษย์เปรตที่ปีศาจอสุรกายเพราะอะไรเพราะไม่สัมผัสกับพระนิพพานจึงต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อสัมผัสพระนิพพานปุ๊บมันเป็นทางออกแล้วออกจากว่าตะนะัดแลไม่มีอะไรบปรุงแต่งกิดได้เพราะในนิพพานนั้นเป็นอสังขตธรรมแต่ในในใ น, ใ น, ในโลกิยะเราเนี่ยใ น, ใ, นในวัด ต, ต๋าสงสารเนี่ยเป็นสังขตธรรมคือทุกอย่างปรุงแต่งเราได้หมดภาพที่เห็นปรุงแต่งได้หมดเสียงที่ได้ยินปรุงแต่งได้หมดเลยจมูกที่ดมกลิ่นปรุงแต่งได้หมดเลย เห็นการปุ๊บคิดปรุงแต่งเสียงเนี่ยปรุงแต่งไปเรียบร้อยขอให้ได้เข้าหูเถอะคิดไปแล้วไม่รู้ไปคิดไปแปรุงแต่งไปไหนไม่รู้อ่ะถ้าจะไหลรวมสู่ใจใจก็ปไปทีนี้ไหลไปไหลไปไหลไปพอใจนั้นไม่มีไม่เคยเห็นพระดิพานพอเห็นพระดิพานปุ๊บใจจะไม่ไหลไปคือไม่มีการปรุงแต่งไปตามอาการเจตสิกมันปรุงอยู่แล้วแหละแต่ว่าใจไม่ไหลไปตามอาการอย่างการปรุงแต่งจะทราบการปรุงแต่งเพียงแค่การเกิดการดับ แค่ น, นั้นเอถามว่ า, ากิเลสเนี่ยอาวิชาตัณหาอุปทานกิเลสอนุัยอยนะุาาัสอ่ะผัสสะเป็นปจัจจัยให้เกิดเวทนาทั้งสามใช่เวทนาทั้ง3มามเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่พระองค์ทรงตัดถึงข้อเวทนาเนี่ยเวทนาเป็นกิเลสหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นทุกขสัจจนะนะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่กิเลสมันเป็นทุกขสัจจ์แต่ในเวทนานี้ มันมีอะไรแอบอิงอาศัยอยู่สุกภเวทนามีอะไรอยู่มีราคารทุัยทุกภเวทนามีอะไรปฏิฆาสามไหม ม, มีแล้วเรารู้ไหมเล้าทำไมเราไม่รู้ล่ะทีนี่เพราะเรามัวแตกเป็นสุขเป็นพวกเป็นเฉยกับอาการที่เกิดแต่เราไม่รู้จักว่า นี่คือสุกกำลังเกิดขึ้นและขนาดที่สุขเกิดขึ้นนี้ราคะมันแนบมาแน่นอนนี่ระดับของบุญชลนะแนบมาแน่นอนแต่พระอายาเจ้าไม่แนบหรือถ้าแนบมาในชั้นโสดาบันท่านก็เห็นอ๋อมันแนบมาแล้วกับสุขเพราะท่านแน่ชัดอยู่แล้วว่าเมื่อสุขเกิดขึ้นท่านจะรู้สึกคือโดยการปฏิบัติโดยเป็นอาทยาศัยท่านจะทราบอยู่แล้วใครที่ฝึกกรรมาฐานมาดีจะทราบอ๋อคือกำหนดรู้รอบ ด, ดูในขันท่ามาดีนะว่าเมื่อเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกเนี่ย พวกเอนรู้สัยกันแนบแนบมาเลยเรียกว่านอนเนื้อแฝงเข้ามาหรือว่าเรียกว่าอะไรพวกสปายอะไรเรียกว่าอะไรแฝงตัวอะรฮึนะบางคนเขาเรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์นะโหลดข้อมูลแล้วได้ไวรัสมาด้วยไอไวรัสเราไม่ต้องการแต่มันมาด้วยอเออมันแย่พวกเนี้ยอ น, นุสัยเลยแหละ มันแวร์แล้วภาษาเออธรรมายุค 4.0 ต้องพูดถึงภาษาคอมพิวเตอร์ให้มากๆจะได้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่เข้าใจเห็นไหมคนนี้มันเป็นพวกมันแวร์คนนี้ยไม่เป็นสิ่งที่มันแฝงเข้ามาเวทนาเป็นสิ่งที่ต้องเกิดกับเราแล้วก็สิ่งนี้มันจะแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาแฝงเทีนี้เราไม่รู้พราะเราไม่รู้ไอ้คอมพิวเตอร์เราเป็นอะไรวะเฮ้ยมันอะไรขึ้นมาไม่รู้เลยอภิชาป้อนํา เราไม่รู้่เพราะเราไม่เคยเรียนรู้ไงเพราะเราไม่รู้มันเป็นเกี่ยวกับไวรัสเข้ามาปุ๊บคอมพิวเตอร์มันรวนติดิดดับดับสงช่างช่างมันรู้มันแก้ไขให้โอ้ยติดไวรัสมามีใช่ไหมละ่ะฆ่าไวรัสเสร็จแล้วกลับเอามาใช้ต่อมันก็จะไปทํานองนี้ถ้าเรารู้จากเวทนาปุ๊บรู้ว่า ราคาอนุสัยปฏิทานอนุสัยแล้วก็อวิชานุสัยตามนอนหรือนอนเรื่องอยู่กับเวทนาเหล่านี้อยู่ปับ๊บให้เราอาศัยเวทนาที่เกิดนั้นอนะ่ะเพื่อเป็นเครื่องกําหนดรู้อนุสัยอาศัยเวทนาที่เกิดในชีวิตประจำวันของเรานะ่ะเป็นที่ตั้งแห่งการกําหนดรู้เพื่อดูอนุสัยว่าราคาอนุสัยจะเกิดขึ้นตอนไหนปฏิทานอนุสัยจะเกิดขึ้นตอนไหนอวิชานุสัยจะเกิดขึ้นตอนไห น, น นยียทีนี้แยกออกด้ยังว่าเราจะแก้ไขตัวไหนสิ่งที่เราจะต้องแก้คือแก้ไขตัวไหนเวทนาต้องแก้มันไหมไม่ต้องเพเป็นสิ่งที่มีอยู่ให้รู้ว่าอนุสัยกำเนิดใช่ให้รู้ว่าอนุสัยเกิดเกิดขึ้นตามอาการแห่งเวทนาคุณครูบอกเมื่อวานว่าให้เราเข้าไปดูกระบวนการเกิดของมันแค่นี้เองแล้วก็ เก็บระ ว, วังคือให้รู้กระบวนการแค่นั้นเองพอแม่มันจะเก็บนะเก็บพอเราเห็นการดับของมันปับ๊บไอ้ความเห็นที่เห็นว่าดับนั่นเองนะพอเราเห็นอารมณ์อาสุบบ้างโกรธเนาะกระทบปับ๊บเราไม่มองที่ที่ที่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขวดนะ เรา ม, ามองอารมณ์ที่เกิดในใจเป็นความโกรธตัวเนี้ยตัวความโกรธที่เกิดขึ้นเพิ่บ ร, รู้แล้วว่านี่คือกระบวนการแห่งการเกิดขึ้นรับอารมณ์ของจิตแล้วจะเอาอารมณ์พวกนี้เก็บพอไปสู่ภาวังคือการดับพวกมันนั่นเองคือเก็บลงไปคือดับเพราะอารมณ์นี้มันต้องดับอยู่แล้วก่อนที่มันจะดับเนี่ยไอ้ตัวจิตจะเก็บเอาไว้เก็บลงไปแล้วก็เอาลงไปสู่ภาวังขณะที่เราตามลงไปดูการดับลงสู่ภวังนั้นเราเห็นการดับเพิบ ตอนหน้าตาตามันล้างข้อมูลนั่นแหละมันไม่เก็บนะแต่ถ้าเราไม่เห็นการดับตอนหน้าตาตานั้นมันเก็บเก็บเป็นเชื้อนอนเรื่องพอเราเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยเพราะมันดับนี่พอเรารู้ว่ามันดับปุ๊บทาลายอวิชชาทํา่ยลายพอไม่รู้อาอวิชชาดับสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับบิญาณก็ดับบิณญาณดับนามรูปดับนามรูปุดดับผัสสะดับ เห็นั้ยเมื่อภาษาดับเวทนาดับเนี่ยมันดับตรงนี้ขอมันหมายถึงว่าแม้จะเกิดความโกรขึ้นอีกในคราวครั้งต่อไปก็ไม่กระสับกระส่ายและดิ้นหลนไม่เป็นเวทนาหรือเวทนาจะมีแสดงออกมาว่าลักษณะแห่งความสุขความทุกข์ก็จริงแต่เวทนาที่ปรากฏนั้นถูกรอบรู้ด้วย สติปัญญาแล้วในเวลานั้นแม้เวทนาเองก็ก็เกิดดับไปตามอารมณ์ไปตามอาการไม่ประกอบด้วยอวิชชาเวทนาที่ไม่ประกอบด้วยอวิชชาเมื่ออวิชชาดับแล้วปับ๊บทัะดับเวทนาดับตัณหาพวกอนุสัยทั้งหลายทั้งปวงยอยู่ในอยู่ในตัณหานะเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ นั่นคือหลักการหนูเนี้เพราะฉะนั้นแยกกิเลสกับตัณหาออกไหมตัณหาตัวใหญ่ของมันเนี่ยคืออวิชานะตัณหาตัวใหญ่ที่สุดคือตัวอวิชชาแต่เขาไม่ได้เรียกว่าอาวิชชาเป็นตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ปร า, า, า, ากฏบ่อยแต่อวิชชาไม่ปรากฏบ่อย เพราะคนที่จะเห็นอวิชชาได้คนนั้นจะต้องมีวิชาจึงจะเห็นได้เห็นความไม่รู้จึงมีเห็นความไม่รู้ <uke> mm <as> <c oughs> จึงมีความรู้ว่าความไม่รู้ครอบงําจึงมีตัณหาอวิชชาก่อให้เกิดตัณหาตัณหาอุปทานก่อให้เกิดอุปทานอุปทานก่อให้เกิดกรรมอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมเป็นเหตุให้วนเวียนในภพคุย่อามาได้บอกกิเลสเป็นเหตุให้วนเวียนนะอันนั้นภาษาเราเอามาใช้ใน ในการพูดคุยกันที่เฉยใช่ไหมเป็นภาษาที่เอามาใช้พูดเพื่อเพื่อกล่าวถึงสิ่งที่เราจะต้องละมันโดยใช้คากิเลสเนี่ยแต่โดยภาษาธรรมแล้วกิเลสไม่ใช่ตัวที่เป็นมูญเหตุแห่งภพไม่ใช่เหตุหลักแต่มันเป็นปัจจัยที่ต้องขูประกอบไปด้วยอวิชชาเท่านั้นถึงจะเป็นเชื้อนําสู่ภพ พูดอย่างนี้คนก็ไม่ค่อยใจอีกโดยเฉพาะนักปฏิบัติที่กำกำกึ่กึ่งกำกำกํางึงๆที่เรียนมาไม่แจ่มแจ้งก็จะแย้งว่าผู้ได้เจ้าก็บอกว่าผู้ใดกําจัดรู้ความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ พ, พ้นทุกข์อย่างแท้จริงคําว่าสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าราคะโทสะโมหะ ม, มันเป็นตัวนําเกิดสู่ภพ ซึ่งอาตมาสอนว่าราค่าโทสาโมหะไม่ใช่ตัวนําเกิดสู่ภะเราต้องไปตีความหมายในหลักของผู้ได้เจ้าพง์ทรงกล่าวสอนนะลาค่าโทสะกับโมหะที่พระง์ทรงกล่าวถึงคืออะไรคือราค่าที่ประกอบไปด้วยวิชาใช่ไหมนะโทสะที่ประกอบไปด้วยวิชาใช่ไหมนะโมหะที่ประกอบไปด้วยวิชาใช่ไหม ถูกต้องไหมตัวนี้แหละที่สิพุตรียอถูกบอกว่าไอราคะโทสะโมหะที่ประกอบไปด้วยวิชาเนี่ยตัวเนี้มันสิ้นไปเมื่อไหร่จึงจะชื่อว่าเป็นคู่พทุกถ้าบอกว่าราคะโทสะโมหะสิ้นไปจึงจะชื่อว่าเป็นเป็นความพทุกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสแล้วเราไปตีราคะโทสะโมหะคือความรักความชังความโกรธความเกลียดเหล่าเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันแก้ไขโดยเมตตาได้มันละได้โดยเมตตา คือไม่ให้มันเกิดอีกก็ได้ด้วยอำนาจแห่งเมตตาถามว่าเมตตานี้เป็นโลกิยะหรือโลกุตระเป็นโลกิยะโลกิยะสามารถทําให้พ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงไหมไม่สิ้นไม่ต้องเป็นโลกุตระเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วบางคนจเจริญเมตตาจิตไม่มีความโกรธเกลียดใครเลยจิตวางโลสู่อุเบขาทำได้อย่างดีทํามเมตตาเราที่เตาอุเบขา แล้วจะเอาผลแห่งการสงบระงับตัวกิเลสนี้เป็นมรรคผลได้ไหมไม่ได้เป็นผลของการจเจริญเมตตาได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่มรรคในทางพุทธศาสาที่จะเป็นไปเพื่อออกจากวัฏฏะมันแง่มุมในการรู้ธรรมะเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเข้าใจว่าการสงบระงับกิเลส ด้วยสมาทกับการเจริญมากเพื่อดับอวิชชามนคนละเรื่องการเจริญมากเพื่อดับอวิชชานี่เป็นโลกุตระโดยส่วนเดียวเลยแม้ขณะที่เจริญมากนี่เป็นโลกิยะก็จริงอยู่มรรคทั้งหมดเป็นโลกิยาก็จริงอยู่แต่โลกิยะส่งผลถึงโลกุตระพอถึงโลกุตระเสร็จปับ๊บมันก็ล้างระบบของภพชาติทั้งบวงที่เกิดจากอาวิชชาที่มีรักเน่าอยูเนี้ยอวิชชาที่เป็นรักเน่า มันจะตักลากข้าหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเราไปสงบระงรับแค่กิเลสเราไม่ได้ทําลายอาวิชชาไม่ได้มุ่งเจริญมากเพื่อทำลายอาวิชชาสงบระงรับกิเลสด้วยอํานาจของสมร t h จิตเป็นอุเบกขาได้ไม่เสื่อมเลยภายในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่เสื่อมพ่อไปเกิดเป็นชั้นพรมแต่ยังคงอยู่ยิ่งใหเลยไม่เกิดเราหมดแล้วมั้งเราสิ้นแล้วมั้งอยู่นั้นแหละจึงมีพมลงเข้าใจผิดว่าตนเองยังย่งยืนไง พงเท้ามหาผมพระกะพรมเคยอ่านแม่พระกะพรมเราอมตะเรายั่งยืนพรมตมอื่นผุดก็ดจติผุดแล้วจติผุดแล้วจติเกิดแล้วเสือกดับไปแต่เราเนี่ยไม่เกิดไม่ไม่ดับสัก h, doll, ีเราไม่เพื่อนจากวิมานของเราสักทีเลยนี่เราอมตะนี่แต่พผู้เรารู้ว่าไอ้พระกะพรมเนี่ยเพิ่งดับมาจากคมชั้นชั้นอื่นมา แต่ตอนที่ดับไอ้ผมตัวนี้มันไม่รู้คือเพราะว่าระยะเวลามันนานไง ม, มันเสวยผลนานมากนา น, านจนจะลืมมันลืมคืนไปเลยว่าไม่มีวันไม่มีคืนเลยว่ามันมันมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าตัวเองดับมาจากพบอื่นแล้วมาอยู่มาอยู่ชั้นผมนี้แต่ผู้เจ้ารู้ทีนี้ผู้เจ้าก็เลยไปเตือนไงเตือนสติพ่ากระผมจงระลึกให้ดีท่านเพิ่ง ท่านก็จุติมาจากภพอื่นดับมาจากภพอื่นหรือมาอยู่ภพนี้พอกระผมโมเลนระลึกถึงย้อนทีนี้ย้อนด้วยญาณของตนเองเออจริงอ้วยวะเราดับมาจากภพนู้นมาอย่เราจะเที่ยงมาแต่ที่ไหนนี่แหละแม้แต่เธอที่เป็นอยู่ก็ไม่เที่ยงผมที่เป็นอยู่ก็ไม่เที่ยงเห็นไหมพูดง่ายว่ากิเลสไม่เสื่อมในภพนี้มันก็เสื่อมในภพหน้าไม่เสื่อมในภพหน้าก็ต้องเสื่อมในภพต่อไปไอ้ไม่ใช่นี่คือกิเลสอะไรวะอํานาจแห่งการสงบระงับด้วยอํานาจเมตตา เมตตาชา้นในตาสมาธินี่ไม่เสื่อมในภพนี้ก็ภพหน้ามันสง บ, บได้ก็จริงอยู่ในภพนี้นะไม่แสดงอาการแห่งความปวดขึ้นมาแม้แต่นิดเนี่ยสงบได้แต่ยังไม่พ้นจากก็ตัดมันแตกต่างกันจากจากการที่เจริญมากขึ้นมาแล้วทําลายล้างอวิชชาคนละอย่างเรื่องต้องแยกตรงนี้ออกพอสําคัญที่สุดคือต้องเราต้องตัดหลักเน่าไอ้พวก กิ่งลําต้นใบพวกนี้ยมันเป็นผลเมื่อตัดลําต้นไปแล้วกิ่งใบพวกนี้มันร่วงไหมร่วงเนาะมันแห้งแล้วมันก็ร่วงของมันเองไม่ต้องไปทําอะไรมันแค่รู้มันตามความเป็นกิงแค่นี้เองหรือถ้ามันรบกวนเรามากเราก็สงบมันได้ด้วยอํานาจการภาวนาอำนาจสติแห่งการกําหนดรู้ใช่ไหมล่ะเราก็สงบมันได้แต่เราไม่สงบเพื่อเอาผลตัวนี้เราสงบเพื่อเข้าไปทําลายอวิชชาใช่ไหมนี่คือหลักการที่ได้สอนอยู่ในเวลานี้ มันจึงไม่เหมือนไม่เหมือนใครไงเขาจึงบอกว่าอาจารย์สอนไม่เหมือนไครแ น, น่นจะเหมือนได้ยงไงพอมันมันดึงออกมาจากความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในจิตแต่ก็มีแบบเป็นมาตวัดอยู่แบบในพระไตรปิดกเป็นมาตวัดบาปบาปที่รุนแรงที่สุดในทางพุทธศาสนาคืออะไรรู้ไหม การกระทำที่เป็นบาปที่รุนแรงที่สุดในทางุศาสนาคืออะไรนี่ไที่พงรงศงตับเราเป็นบาปมากที่สุ ด, ดความเห็นผิดนะการฆ่ากันกับความเห็นผิดคนที่มีความคนหนึ่งมีความเห็นผิดมีความเห็นผิดอยู่นะเป็นมิจฉาทิฐิกับอีกพวกหนึ่งเนี่ยฆ่ากันเอาห้ามผ่านกันจ ะ, จะยิงขีปนาวุธใส่กั น, นถามว่าใครทำบาปมากกว่ากันนะ ในความเห็นผิดเนี่ยคนที่มีความเห็นผิดนี่ทำบาปมากกว่าเอ้ยก็เราไม่ได้ไปฆ่าใคร ấy, เราแค่มีความเห็นผิดอย่างเดียวเราเราเปบาปได้ยังไงฮะเราไม่ได้ไปฆ่าใครเท่าไหรไอ้คนที่ฆ่ากันจะต้องเป็นบาปมากกว่าไม่ใช่เหรอปานอาทิปาตานะ่ะฆ่ากันทําลายล้างกันเราจะเอาอะไรมาอธิบาย ถ้าเราบอกว่าความเห็นผิดมันเป็นบาปมากกว่ามันเห็นผิดมันก็เป็นโทษเฉพาะเราไม่เห็นเป็นโทษกับคนอื่นไอ้ฆ่ากาันเป็นโทษต่อคนอื่นะนะสมมติขี่านาวลดิงมานี่ถามว่ามีตายคนเดียวไหมไม่ได้ตายคนเดียวนะมันแถวเนี้ยไปบวชอะทั้งจังหวัดทําความรุนแรงได้มากกว่าเอาไหนบอกว่ามีิจฉาทิฏฐิมีโทษรุนแรงกว่ามีบาปมากกว่า เราตอบได้แต่เราต้องอธิบายได้ด้วยค่กนเรื่องเดียวค่ะการนเรื่องเดียวเห็นผิดผิดทุกเรื่องเห็นผิดผิดทุกเรื่องขาไม่เห็นตามความเป็นจริงเขาไม่เห็นตามความปนจริงเอ๊ะแปลกเนาะเราอธิบายเออย่างนี้เราต้องไปดูผัสูุ สูตรตรนี้ที่พง์ทรงตัดไว้ว่าโทษของมิจฉาทิฏฐิมากกว่าการข่ากันอยู่ที่โคปลาลากาสัสูโคปลาลากาสูคือพระพุทธเจ้าไปเทศนาโปรโดคนเลี้ยงโคเนื่องจากคนเลี้ยงโคเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ชอบใจใ น, น, นพูทศาสนาล้วพงค์ก็เสด็จไปไปแสดงธรรม พ่อโพลคำนวณดูแล้วว่าเมื่อเราไปแสดงธรรมแก่โกปลาละกะัตรคนเลี้ยงโคเนี่ยเมื่อเราแสดงธรรมให้กับเขาทราบเขาฟังคําที่เราแสดงแล้วจักมีจิตเลื่อมใสแล้วถวายพัดตาหารกับเราเมื่อถวายพัตาหารกับเราแล้วโดยการที่เขามีจิตเลื่อมใสในการถวายพัดเขาเพราะความที่เขาบรรลุโสดาบันเป็นพระโสดาบันทุกคนนะ เขาได้จึงได้ถวายพระตาหารนั้นแล้วเมื่อเขาถวายพระตาหารเสร็จเขาจะนําส่งเราไปที่สํา น, นักหากับเพราะจะต้องถูกโจรฆ่าในระหว่างทางถึงแก่ความตายเนื่องเพราะวิบากกรรมแต่ปางก่อนนี่เราก็ต้องเข้าใจข้อนี้นะเนื่องจากวิบากกรรมแต่ปางก่อน พ, <ว>พงคํานวณรู้หมดเนี้ยพรงรู้ว่าถ้าไปเนี่ยยังไงถ้าโพงไม่ไป ไอ้พลเลี้ยงโคก็ต้องถูกฆ่าตายอยู่ดีนะยังไงก็ต้องถูกฆ่าคือคนมันจะตายยังไงมันก็ตายแต่การที่พงทรงไปก่อนหน้าที่จะถูกฆ่าเนี่ยจะทําประโยชน์ให้แก่โคลปลาร์ละกาคนเนี้พงก็เลยไปสู่ที่บ้านของโคปลาละกาแล้วก็แสดงทำให้ฟังมีจิตเรื่องใสก็ บ, บรรลุธรรมแล้วก็ถวายพาาระท ห, หารพระทหารปุ๊บก็ทรงเสด็จพูทเจ้ากับอาวาัชในขณะขากลับปุ๊บโจรก็เลยฆ่าในระหว่างทางก็ตาย ชาวบ้านาก็เลยโจดฐานกันเพิ่มมาเรื่อยๆเกาประนามพุทธเจา้าเลยเป็นเพราะพุทธ อ, องค์นั่นเองไปฉันอาหารเป็นเพราะโคปาลการด้วยที่นับถือ พ, พุทธองค์และเป็นพุทธองค์เนี่ยไปฉันอาหารในบ้านของโคปาราการจึงเกิดความเป็นอปมองคลขึ้นโคปาราการจึงถูกฆ่าในโคบนันในคนเลี้ยงโคจึงถูกฆ่าก็เสียงอนนี้พูดกันไปทั้งเมืองเลยเหมือนกับเขา ว่าอาตมาเนี่ยเป็นเพราะปฏิบัติผิดนอกที่นอก้อยนั่นแหละเขาว่าจึงเกิดวิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าเนี่ยคนเก็บคนเปื้อยอะไรขึ้นมาเพราะก็จะว่ากันนะทีนี้เรื่องนี้มันกระหึ่มขึ้นในเมืองนั้นพาาระอนุทนก็อดไม่ไหวไปบิณฑบาตเขาพูดเรื่องนี้ไปที่ไหนเขาก็พูดแต่เรื่องนี้เป็นเพราะพุทธองค์นั่นแหละเขาประนามพุทธองค์อยู่ทุกที่ก็มาหาพุทธเจ้าแล้กงงวกล่าวทูลกล่าวทูลพุทธองค์พุทงก็บอกว่าอานนท์ การที่บุคคลถูกฆ่านั้นเรียกว่าเป็นการกระทําตอบต่อเวรหมายถึงว่าเขามีเวรต่อกันเขาจึงได้ฆ่ากันนะการที่คนมีเวรกับคนมีเวรฆ่ากันนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอได้ชดใช้กันไปแต่คนที่ตั้งความเห็นไม่ผิดในเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะพุทธองค์เป็นเพราะโคบาลากาเป็นเรื่องสายพุทธรัตนตยัยจึงเกิดเป็นความะอาะมงคลขึ้น การที่เขา ต, ตั้งความเห็นผิดอย่างนี้ไว้นี่เองจากไปสู่อบายภูมิอีกยาวนานและยาวไกลไม่สามารถพ้นได้ไง่ายๆถามว่าถูก่าน่ตายเสร็จเรียบร้อยแล้วจิตของพระโสดาบันนั้นจะไม่ไปสู่ทุกคติใช่ไไปสู่สุขติโดยส่วนเดียวใช่หถามว่าเขาได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์จากการที่ไ ด, ได้ปฏิบัติในศาสนานี้แล้วถูกต้องไหม ไอ้คนฆ่าก็ได้ชดใช้เวรกรรมแล้วเพราะถ้ามันไม่ฆ่ากันมันก็ไม่ได้ใช้เวรเพราะมันยังเป็นมีกระเวรเป็นกรรมต่อกันอยู่อย่างนั้นถือว่าเป็นการชดใช้กันไปแต่คนที่ยังตั้งความเห็นไว้เนี่ยว่าเป็นเพราะนะเพราะพุทธเจ้าเป็นเพราะมรัตนาตาตอย่างนี้แหละไปตั้งความเห็นอย่างนี้เขาจะไปสู่อบายภูมิอีกยาวนานเลยยาวไกลไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่รุนแรงไหบาปชนิดนี้ ความเห็นผิดนู่นนะการฆ่ากันมันเป็นการกระทาตอบต่อเวทมีเวรนต่อกันก็มันอดไม่ได้ที่จะต้องกระทาตอบคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติอํานาจของเวรนมันจะบีบให้แต่ละฝ่ายเนี่ยห้ามผ่นกันเองแค่เห็นกันไม่พอใจกันก็ยังมียังไม่ทําอะไรที่ไม่ดีต่อกันแล้วยิ่งถ้าไปทําอะไรที่ไม่ดีต่อกันยิ่งหนักใหญ่เลยที่นี้ใช่ไหมล่ะแต่ก็เป็นเรื่องของเล็กน้อย จะเทียบกับความเห็นผิดเพราะมีความเห็นผิดนั่นเองจึงสามารถฆ่ากันได้ถูกต้องไหมถ้าไม่มีความเห็นผิดเลยจะฆ่ากันได้ไหมแม้จะเคยมีเวณต่อกันก็จริงแต่มีความเห็นถูกอยู่เสมอเนี่ยจะฆ่ากันได้ไหมไม่ได้อย่างเช่นพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยแม้จะมีความรู้สึกไม่ดีกับอีกบางคนด้วยอำนาจแห่งเวนที่มีต่อกัน แต่จะไม่มีจิตที่จะฆ่ากันฆ่ากันเด็ดขาดเพราะมีสมาธิิบริบูรณ์แล้วแต่หากถ้าเป็นบุรุษชนแม้พอใจกันอยู่ก็ฆ่ากันหากผิดใจกันคนที่รักกันเนี่ยรักกันเท่าไหร่เวลาเกลียดนี่เกลียกันจะเข้ากระดูมันกันใช่ไหมเกลียกันก็คนจนฆ่ากันก็ได้ก็มีอย่างเงี้ยนี่คือมาจากความเห็นผิดพวามเห็นผิดนั่นเองจึงก่อให้เกิดการฆ่ากันเพราะฉะนั้นโทษคือความเห็นผิดจึง มากมายกว่าให้ผลรุนแรงกว่าแล้วก็ข้ามพบค้ามชาติข่ากันนี้สงบเบนในชาตินี้หรือหากจะเกิดเพื่อชดใช้เวนในชาติต่อไปอย่างมากที่สุดก็ไม่เกินห้าร้อยมากที่สุดนะไม่เกินห้าร้อยที่เขาบอกว่าห้าร้อยจริงหรือเปล่าข่าปลาตัวหนึ่งไปเกิดเป็นปลาห้าร้อยชาติจริงหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่า เมื่อฆ่าแล้วได้แก้ไขตัวเองไหมนะถ้าฆ่าสัตว์โดยที่ไม่แก้ไขตัวเองแนี่ยนะว่าต้องไปเกิดเป็นสัตว์ที่เ้าฆ่าเดือนน้อยห้าร้อยถามว่าห้าร้อยเนี่ยเขาฆ่าแค่ทั้งเดียวมันจะเป็นห้าร้อยได้ยังไงในความคิดบางคนนะถามว่าจิตที่คิดจะฆ่ามันเกิดขึ้นก่อนก่อนที่จะฆ่าใช่ไหมในขณะที่คิดจะฆ่านั้นอย่างเช่นจะจะไปจับปลาในสระในหนองเนี่ยเดินออกจากบ้านก็คิดแล้ว กูจะกูจะเอาเอากูจะไปฆ่ากูจะไปจับสัตว์ใช่ไหมหล่ะในขณะที่เดินพุกก้าวย่างบาปเกิดขึ้นทุกก้าวย่างนะกิเลสอาการแห่งแห่งการก้าวไปทุกก้าวจิตคิดที่จะฆ่าทุกก้าวจนสําเร็จโดยการลงสู่หนองแล้วก็จับมันมาฆ่าเขานับบาปไม่ได้นับตอนฆ่าเขานับตั้งแต่จิตคิดดีไม่ดีคิดเกินห้า้อยครั้งนู่นอ่ะ ไอพี่ห้าร้อยผิวเบาที่สุดแล้วแต่ถ้าได้แก้ไขคือรักษาศีลมันก็สงบระ ง, งับแต่ไม่ได้ไม่ได้ล้างนะสงบระ ง, งับคือปิดบากลงไว้ก่อนถ้ารักษาศีลถ้าทำสมาธิก็ปิดในชั้นที่สูงขึ้นอีกถ้าจเจริญปัญญาก็ปิดในชั้นที่สูงขึ้นอีกถ้าไปเรื่องที่พานก็คือขาดเลยขาดจากเรียนตัวนี้นี่คือ ความรู้ในทางพุษศาสนาที่จะสอนให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขความเห็นของเราอยู่เป็นประจำเพราะเราสามารถเห็นผิดได้ทุกๆเรื่องเราอาจจะเห็นถูกในเรื่องนี้แต่อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นความเห็นผิดได้เร<อ>าจะต้องไปทําความเห็นให้เข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้ชัดเจนจนรอกจนครบอกสามรอยหกสิองศาองศามีสามร้อยกิใช่ไหมใครเป็นคนบันดาลว่าองศามี 360, 3ามร้อยกิสาร้อยเจ็สิบไม่ได้เลย สามอสิบก็ไม่ได้เนี่เขาบัญญัติมายัางไงเราก็บัญญัติอย่างนั้นนะใช้ตามบวหฐารของโลกที่เขามีอยู่งั้นก็ต้องให้รอบเขาบอกว่ารอบพอดีกับสามร้อหสิบเานับมาก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าสมัญตาคือโดยรอบแต่ไม่กําหนดมากเท่าไหร่แต่โดยรอบให้ให้รู้โดยรอบปัญญาก็บอกแล้วว่าให้รอบปะทั่วข้างหน้าปะรู้ทั่วยาปะบวกอัญญาเป็นปัญญา รู้ให้ทั่วคือรู้ให้รอบเรียกว่ารอบรู้ปัญญาของเราของรอบรู้ <c oughs> หลักของภาษานามาใช้ภาษาแต่และ ต, ตัวที่พระองค์ทรงตัดไว้เนี่ยมันมันสอนให้ถึงเห็นการใช้ด้วยนะว่าเราจะใช้กับมันยังไงวิชาก็รู้แต่ไม่ไม่ใช่รู้แบบปัญญารู้แบบเรียนรู้นะชาก็เรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้ว ก็ทําให้เมื่อเกิดการเรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้รู้รู้มันก็เลยรอดหลอดรู้อะไรเป็นปัญญาใช่ไหมล่ะปัญญามากเข้ามาเข้าเกิดยานรู้ตามความเป็นจริงใช่มล่ะเมื่อรู้ตามความจริงมากเข้าก็เกิดเกิดทําลายความเห็นผิดขึ้นมายานนี้ก็ยังไม่ใช่ประสงค์ของพระพุทธองค์นะยานเป็นจากยานก็เป็นยานทัศนายาณทัศนะก็ยังไม่ใช่พุทธประสงค์ พระงองค์ประสงค์วิมุตมติวยานและศาสนานู่นนั่นคือความประสงค์ของพุทธองค์นี่คือหลักการพุทศาสนาเพรา ะ, ะนั้นการปฏิบัติในระดับใดก็ตามเราจะไม่สามารถยึดเอาตัวนั้นเป็นผลมาตรฐานในตัวเองได้เลยคนถือศีลยังไม่สามารถยึดเอาศีลเป็นผลในตัวเองได้เลยเข้าใจไหมทําสมาธิก็ไม่สามารถยึดเอาผลของสมาธิปเป็นมาตรฐาน ในการรักกิเลสได้เล ย, เลยปัญญาแม้จะรู้รอบบริบูรณ์แค่ไหนก็ตามรู้ในคําสั่งสอนผู้เจ้ามากแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นมาตรฐานในตนเองได้เลยตราบใดที่ยังไม่ถึงวิมุตต์วิมุตต์นั่นคือมาตรฐานภายในตนเองเพราะเมื่อเข้าถึงวิมุตต์แล้วจะไม่มีทางเสื่อมเลยอีกตลอดกาลปัญญายังมีเสื่อมอยู่ มีข้อไหนอีกที่จะถามไหมหมดแล้วมีถามมากไหมไม่มไม่มีใครถามมีแต่แตคนฟังตม่กี้ที่พูดถึงเรื่องอกระบวนการนะคะที่เรารู้สมมติว่ามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นไหมคะให้เรารู้กระบวนการของมัน เรารู้ว่าอารมณ์ขณะนี้ยอารมณ์เราโก่ธมันเป็นอุกใสครามรู้แต่เราไม่เห็นการดับของมันโดยเราก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องปัจจัยที่ทําให้เราโกรธนะมันมันมาอยู่กับอารณ์กับอารมณ์ที่เกิดมันไม่มันไม่เห็นการดับเพียงแต่รู้ว่ามีขณะนี้มีอารมณ์นี้แต่เรารู้เรารู้ว่ามันดับอยู่ใช่ไหมรู้ในภายหลังใช่ไหมอ๋อภายหลังมันก็มันก็ดับไปแต่เราไม่ได้ไป เราเราสามารถย้อนรู้ในภายหลังได้ไหมว่าอารมณ์มันดับไปได้เราต้องเริ่มจากการรู้ดับอย่างนั้นก่อนอนั่นแหละคือเรียกว่ารู้ดับแต่ยังไม่เห็นเพราะมันไปรู้ทีหลังเราจะเอาให้เห็นทันดีทันดใด น, น, นั้นมันระดับเซียนคือรู้แบบทีหลังนี้มาจนจนทีมากทีมากทีมากทีมากโงยมากแล้วถึงจะสามารถเห็นดับต่อหตตาได้ ไอความหมายที่บอกว่าเห็นเกิดและเห็นดับก่อหน้า ต, ตานะหมายถึงว่าระดับที่ฝึกมาจนแบบอนุบาลมาแล้วอนุบาลมาเรื่อยอนุบาลมาเรื่อยอนุบาลมาลจนขึ้นพอหนึ่งพอ2ขึ้นมานะสุขใจเดี๋ยวเราก็ต้องพยายามไปจะรู้กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใ่ลัขนาดขนานึ่งใช่จึงผู้ได้ย่จึงให้มานั่งคบทวนในการรู้ย้อนกลับไปอ๋อสุขเกิดขึ้นข้าวนั้นดับไปทุกเกิดขึ้นในท้านั้นดับไปยังไงและจิตเราเป็นยังไง โกรธเกิดขึ้นในเขานั้นจิตเราเป็นยังไงแล้วมันดับไปแล้วจิตเราเป็นยังไงไงความพอใจเกิดขึ้นในเขานั้นจิตเป็นยังไงแล้วเวลาดับไปแล้วจิตเราเป็นยังไงหลังจากที่ความโกรธดับไปแล้วจิตเราเป็นยังไงคือวงให้เทียบเทียงก่อนที่ความโกรธจะเกิดขึ้นจิตเราเป็นยังไงตอนเกิดความโกรธขึ้นแล้วจิตเราเป็นยังไงเห็นไหมเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่คงที่ของจิตใช่ไหมอ๋อจิตความก็เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์อาการอย่างนี้เราไม่สามารถแก้ไขพวกนี้ได้ แต่เราสามารถเห็นและรู้มันตามความเป็นจริงได้จนตัวต่อเมื่อกำลังแห่งการรู้และเห็นตามความเป็นจริงนี้เพียงพอต่อการรู้ขณะปัจจุบันนั้นทันทีมันถึงจะสามารถตัดลากเหง้งาแห่งอวิชชาได้มันก็จะรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทีเดียวแล้ว ทันทีต่อหน้าต่อตาก็กำหนดรอบรู้อยู่นั่นเอ๊ะไม่ทันมันอีกเนี้วเฮ้ยไม่ทันรู้รู้ด้วยว่าไม่ทันก็ไม่ทันไม่ทันมากเข้าไม่ทันหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าทีเข้าทีเข้าทีเข้าแต่มันจะรู้ว่ามันมันสั้นเข้าคือการรู้ทันมันสั้นเข้าแต่ยังไม่ทันต่อทันทีไม่เท่าทันต่อขนาดนั้นแต่มันจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าจนมันรู้ทันเท่าทันเอง ตอนนั้นก็จะรู้อ๋อ น, นี่มันเข้าทันแล้วนี่หว่าเกิดปุ๊บรู้ปับ๊บดับพึบแหน่มันแนบเลยทีนี่เกิดปุ๊บรู้ปับ๊บดับพึบเกิดปุ๊บรู้ปั๊บดับพึบไม่มีเจตานาที่จะเคยรู้เลยทีนี้มันรู้เองเลยเพราะมันมีมีตัวแนบแล้ถามว่าไอตัวตัวที่เขาไปแนบรู้เกิดการเกิดดับเนี่ยมาจากไหนก็มาจากการรู้แบบที่หลังอย่างเนี้จนเป็นตัวสติเข้าไปแนบรู้อัตโนมัตินีแนบรู้อยู่กับจิตนี่นะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ปรากฏกัจิปุ๊บมันก็ต้องถูกรู้ด้วยสติที่ถูกกฝึกมาาอย่งนี้้แลว มันจึงเห็นการเกิดและการดับการเกิดและการดับเจ็ดวันรู้ผลคือคําว่าเจ็ดวันคือนับตอนที่แนบรู้อย่างนี้แล้วนะไอ้ก่อนหน้านี้ไม่นับนะไม่ใช่ว่าพอเริ่มจับการเกิดดับไปแล้วก็จะไปนับเจ็ดวันไม่ได้เหมือนกับโยมบางคนบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าเจ็ดปีโยมจะครบเจ็ดปีแล้วทําไมมันยังไม่ เอานับ7ดปีนะตอนไหนนับตั้งแต่เริ่มเจอพระอาจารย์โวไม่ได้มันต้องเริ่มนับตั้งแต่องค์ประกอบความเค้นห้าพกใช่ไหมล่ะนับตั้งแต่ว่าเชื่อปัญญาการตรรุธจริงของพระเจ้าแค่ไหนมีร่างกายแข็งแรงที่มีธาตุไฟย่อยอาหารดีไย่าง้ไพูดถึงธาตุไฟพระพุทธเจ้าอย่างพูดถึงให้ความสําคัญเลยนะเพราะถ้าขี่หนาวมากมันก็ทําความเพียนไม่เคยได้อย่างเงี้ยขี่ร้อนมากก็ทำความเียนไม่คยได้อย่างเงี้ย พวบอกให้ทาดไฟสม่ำเสมอพ อ, พอดีพอดีเนี่ยแล้วก็ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงมันภาคเพี้ยนตาลบความเพียนอยู่เสมอตั้งใจที่จะรู้อยู่เสมอตั้งใจที่จะรู้อยู่เรื่อยมีปัญญาอานุเห็นการรู้เห็นการเกิดการดับเป็นปัญญาชั้นแรกเกลเอ็ดห้าสี่ขาดไปหรือเปล่า มันมีห้าข้อเนี่ยองค์ประกอบขาดข้อไหนไปฮะก็ปราลกความเพียรนั่นเนี่ยหนึ่งเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของกุฎเจ้าสองมีธาตุไฟในร่างกายดีสมไม่ไม่เป็นผู้โอ้อวด 4. ปราลูกความเพียร 5. ปัญญาเห็นเกิดดับครบนั่นเเนี่ยครบห้าประการนี้นับครบห้าเริ่มครบห้าเมื่อไหร่ในปีนั้นนับแต่กานไปเจปี พีาวว่าภายใน7ปีต้องบรรลุทำอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นะคำของพโอมตัดไว้เป็น1ไม่มี2แน่นอนพี่ยังไม่เมื่อพโอมบอกว่า7ปีก็คือ7ปีมีเป็นคําของอรหันต์ตัดมาสัมพุทธะผู้เป็นสัพพัญญุตะยานแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ7ปี7เดือน7วันทีนี้อาตามาม า, ม า, ม า, ม า, มาสังเกตนะเมื่อสติแนบกับการรู้การเกิดดับปัญญาเห็นการเกิดดับได้แล้วนี่นะเมื่อแนบรู้ได้แล้วนี่อาตามาว่าเจวัน รู้ผลเจ็ดวันยืนยันเลยนะนี่เป็นยืนยันเลยนะจากจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมายืนในเลยว่าเจ็ดวันว 7, นะั้นรู้ผลคือถ้าครบองค์ที่ที่ห้าแล้วเนี่ยคือมีปัญญาอันเห็นการเกิดดับแล้วเนี่ยนับไปเลยเจ็ดวันแน่นอน บางคนบอกสําหรับผู้มีความเพียรอ่อนเป็นยังไงจะให้ Death Ver time. ทํายังไงพระยาการย์ <aling> ทํามีความเพียรอ่อนขอว่าพยาจารแนะนําหน่อยคือมันไม่ค่อยปลาโรคความเพียรเท่าไหร่ก็แนะนําได้อีกเจ็ดชาติหรือเจ็ดสิบชาติก็ไม่รู้ก็ความเพียรมันอ่อนจะว่าไงล่ะบางคนขี้เกียจอะทําไงก็ทําได้นะทําแบบขี้เกียจไปเลยแต่ก็อย่าหวังเอาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแบบเขาเลย มันหังไม่ได้ถ้ามันแบบขี้เกียจแต่ไม่ตกต่าใช่ไหมยึดพระนริตายไปแล้วไม่ตกต่าก็ก็ไปได้ดีอยู่แต่ความเพียรมันอ่อนคนบางคนมันทากมั น, ม, นมันไ ม, ไม่ไม่อำนวยใช่ไหมไม่อํานวยในการปฏิบัติความเพียรมันอ่อนนะไม่ได้ตากต่าเหมือนอาตมามันตากต่ามากต่นนั้นนะความเพียร น, นี่เข้มข้นมากเข้มจนเรียกว่าอุ ก, กินะ่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นอุ ก, กิจที่แท้จริงสำหรับคนที่อุกิจกับอาตามาก็มีนะ อาตมาสูงสุด อ, อดอาหารเจดวันมงคลสิบห้าวันอยู่ด้วยกันมงคลเป็นเดือนอยู่ด้วยกันพระนะแต่ที่เป็นเดือนก็สึกไปเยอะแล้ว <laughs> มันอดออะไรกันด้วย่อุอ <c oughs> อ ก, กิจเกินไปขาดใช่ไหมตึงเกินไปขาดใช่ไหมเง <c oughs> ยอนเกินไปล่ะเจ็ดชาติเป็นว่าก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่ค่อยได้ฝนไงไม่ค่อยเอาทุนละ <c oughs> พอดีพอดี <c oughs> คือพอดีต่อความความที่เราทำได้นะ เกินไปกว่านั้นก็ไม่ได้เราก็รูปขอบเขตของตัวเองอย่หร่าเกิดไปก็ไม่ได้เจวันนี้คือสูงสุดแล้วแล้วมันก็ถูกต้องกับหลักธรรมชาติพวกโบอกว่าอย่าให้เกินเจดภิกษุที่เข้าชานสมาบัติอย่าให้เกินเจดคือความเป็นไปของร่างกายอย่าให้เกินกว่านั้นถ้าเกินกว่านั้นมันมันตึงเกินไปแล้วมันเป็นค่อนข้างไปในอัตตาคิละมะัธามันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยเนี่ยแม้จะอานวยผลต่อจิตแต่ไม่อํานวยผลต่อกาย คนยอมไปเข้าใจว่าอเอ้เข้าชานสมาบัติลพล้พพายกันตายอะไรเวกนี้ตายในฌานอย่างนี้คืออายุขัยมันก็จะหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปตายในฌานแม้ท่านจะสินส้นอสวรรกิเสก็ตามแต่คนก็จะทำความเข้าใจผิดนในสิ่งที่ประพฤตินั้นว่าไม่ไม่ดีไม่ถูกต้อง บงคนก็บอกมีวิธีสั้นๆง่ายๆําสอนสั้นๆง่ายๆให้พ่ออาจารย์แนะนำหน่อยธรรมะก็บอกว่าดูการเกิดดับ ง, ง่ายที่สุดแล้วมันดูไม่ทันมันก็ไม่ใช่ว่าจะให้ทันเสมอไปใช่ไหมละ่ะมันต้องอาศัยความเพียรทุกอย่างดูการเกิดดับ ง, ง่ายที่สุดแล้วนะง่ายง่ายๆมากจนผู้ได้เจ้าอุทานขึ้นมานะในวันที่พรมทรงตัดสรูแล้วทําเราได้ปรากฏแก่ความผู้เพียรเพ่งอยู่ใช่ไหม ความ น, นั้นย่อมรู้ความเกิดความ น, นั้นย่อมรู้ความเกิดขึ้นของธรรมนั้นใช่หรือเปล่าจําไม่ได้คือประมวลผลแล้วให้ดูการเกิดดับกันนะทำในการใดแลที่ทำเราได้ปรากฏแก่ความผู้เพียนเพ่งอยู่ความ น, นั้นย่อมรู้เหตุเกิดของธรรมนั้นนะเมื่อเราเพียนเพ่งอยู่เราจะรู้ว่าเหตุเกิดของธรรมนั้นคืออะไรถ้าเราไม่เพียนเพ่งอยู่เราก็ไม่รู้ ว่าเหตุเกิดมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมเหตุเกิดอยู่ที่ไหนเหตุเกิดของบรรดาธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ที่ไหนน่อยู่ที่จิตใช่ไหมล่ะผัสสะในจิตมันเกิดในจิตถามว่าไม่มีจิตเลยมันมันมันมาผัสสะกับอะไรมันก็ผัสสะกับอะไรไม่ได้หรือผัสสะก็ไม่เกิดไม่มีจิตอยู่ในกายนี้ผัสสะทางตามันเกิดรูปไหม ภาษาตั้งรูเกิดเสียงไหมไม่เกิดเพราะไม่มีจิตอยู่เราจึงรู้ว่าอ๋อมันเกิดจากจิตเนี่ยในการใดแรที่พรมทั้งหลา ย, ยทำเหล่าใดที่พรมทั้งหลายเพียนเพ่งอยู่พามนั้นย่อมรู้ความเหตุเกิดของธรรมเหล่านะั้นทำทนะี่ทั้งกุศลและอกุศลธรรมนะทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมพยากตรธรรมเนี่ยอุทานอันที่หนึ่งอุทานอันที่2ในการใดแรที่ทำเหล่าใด ปรากฏแก่พารามผู้เพียนเพ่งอยู่โดยรู้เหตุเกิดของธรรมนั้นพารามณ์เหล่านั้นพารามนั้นย่อมรู้ความสิ้นไปของธรรมนั้นเห็นไหมเมื่อรู้ที่เกิดแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะไม่รู้ความสิ้นความดับไปของตัวนั้นเป็นไปไได้เมื่อรู้การเกิดแล้วต้องรู้การดับถ้าเพียนเพ่งอยู่นะถ้าไม่เพียนเพ่งก็ไม่รู้และอุทานทังที่สามว่าในการใดแล่ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เพียนเพ่งอยู่ที่ได้รู้ความเกิดและความสิ้น ของทำเหล่านั้นพรามนั้นย่อมสามารถกำจัดมาได้เสนามาณได้ถามว่าข้อธรรมนี้พองค์สอนอะไรสอนให้บุการเกิดการดับอะไรก็ตามที่กระทบจิตเกิดขึ้นรู้ตัวนั้นแล้วอะไรก็ตามที่กระทบจิตเกิดแล้วดับดูอันนั้นเข้าไหแล้วจะกำจัดมาได้เสนามาณได้แค่นี้เองถ้าจะเอาแบบง่ายๆนะ แต่มันก็ง่ายก็มีผลข้างเคียงสําหรับคนที่มีมปัญญาง่ายแบบไม่มีง่ายแบบมีผลข้างเคียงคือว่าถ้ามัวแต่ดูการเกิดการดับจ้องที่จะดูการเกิดการดับอย่างเดียวมันได้ความสงบจากอารมณ์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นคําว่าปัญญาหมายถึงว่าเราจะต้องมองการเกิดการดับด้วยความรู้คําว่าเพียเนเพ่งคือต้องมองด้วยความรู้มองด้วยวิชารู้และเข้าใจ ไม่ใช่รู้สักแต่ว่าเกิดระดับรู้ซื่อๆรู้ตรงๆ ร, รู้เฉยๆอย่างนี้ไม่ใช่รู้ด้วยความรู้ความเข้าใจรู้ด้วยวิชาวบะนี้ทุกนี้เหตุที่เกิดทุกนี้ความดับไปของทุกนี่ทำปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมันถึงจะรู้และไม่ต้องรอกระทบเพราะมันมีภัสสะจากภายในด้วยก็มีใช่ไหมละ่ะเรื่องเบอรเรื่องไม่มีภัสสะจากภายนอกแต่มันเกิดจากภายในก็มีสิ่งบางสิ่งบางอย่าง ไม่มีทุกข์มากระทบเราแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดของเราเองที่มันเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอยู่ภายในตัวเนี้ยเราก็สามารถกําหนดรู้ได้กอพลังสนใจกับบางเรื่องเพราะว่าอย่างเช่นการเกิดอะเราไม่ได้มีแบบสายงอกแต่ทำไมเราเห็นเห็นอารมณ์ที่มันเดียวเดี๋ยวนีใจเสียใจว่ามันมันอยู่ในจิตแล้วที่เรื่มันก็แค่ค่ะก็ดู จิตถ้ามันไม่มีอารมณ์ภายนอกมาเนี่ยมันก็จะคุยอารมณ์จากภายในเพราะจิตมันจะอยู่โดยปราจากอารมณ์ไม่ได้แต่มันจะเห็นชัดกว่าการที่เรายังอย่เรายัางมีการเคื่อวการทำหน้าที่แต่การื น, น, รน อ, นอแต่เราเพ่งอยู่จมันเไม่ค่อยนอนไม่ค่อยนอนมันก็เลยดูแต่เนี้ยถ้าสาหรับคนเจริญความเพียรอย่างนี้นนมนนไม่ความการนอนไม่มีความจำเป็น อืการนอนไม่มีความจําเป็นแล้วมันมันมันเป็นเรื่องการทําความเพียรในการที่จะรู้รู้รู้รู้รู้และจะแก้ในตัวของมันมันเป็นของเรียนเป็นมประมาณสองสามอาทิตย์ได้มันจะหมุนเขาเรยวจิตมันจะหมุนรู้อยู่พวกนี้ไม่ต้องการการนอนเพราะมันไม่มีเวลาไม่จําเป็นนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้มันไม่เกี่ยวกับกายแล้วเกี่ยวกับจิตแต่ก็กำลังนะก็แล้ว่าที่ร่างกายเราจะจะเยียมได้เพราเมื่อก่อนนี้ ถ้ายังหวงกายอยู่ก็ <c oughs> สกายะ <c oughs> ขอบขอบนำมันยาววนนี้ไม่พอเป็นเป็นเป็ น, ป น, นานเกิวมมันจะจ้องแบบมันเห่งเินไปรอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่นานเดือนน่เดือ น, นอ <c oughs> สองเดือนมัก็หวงกายาไมตาไม่นอนเลยนี่แหละนี่เห็ น, นไหม <c oughs> นี่มันเนียนมาอย่างนี้แหละมันเนียนมาอย่างนี้ก็คหวงกายเนี่ยมันเนียนมาโดยที่เราไม่รู้ ใช่ค่ะพราะว่าเมื่อก่อนเราพยายามจะฝืนไม่ให้ง่วงแต่ตอนนี้กลับว่ามันไม่ง่วงของมันเองมันเป็นของมันเองนอนอยู่ไม่ได้ไปเดินไปอะไรแต่มันไม่นอนหรอกมันเพ่งอย่างเดียวแล้วเอาไงก็เห็นจะเห็นว่าเอ้ยทำไมเราไม่ได้ถัดซ้ำมากเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกมีเดี๋ยวรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวดีใจเสียใจแบบเอ้ยมันเป็นอะไรทำให้เราขวงกายได้ใช่ค่ะมันก็กำวนอยู่ว่าให้กายเราจะถ้าถึงระดับ นั่นแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเขาเรียกว่าต้องคุยกับตัวเองป ร, เเรปรึกษาก็เรียวปรึกษาการรักษาในภาษาธรรมนะลคุยกับตัวเองไ อ, ไอ้การที่เราห่วงไว้ก็คือหวงตัวทุกข์ไงถ้าจะหวงตัวทุกข์แล้วเราปฏิบัติมาเพื่อแก้ไขทุกข์ไม่ได้เหลอเราจะมาห่วงตัวทุกข์นี้ไว้ทวําไมจิตอยตรง้นก็คือผุดโปงปักซั์มันต่อไอ้ตัวนี้จิตนี่แหละตัวปัญหาที่นี่ซั์มันเลย แต่ต้องสติปัญญาต้องเพียงพอนะถึงจะสัตว์มันได้ถ้าไม่เพียงพอก็เดี๋ยวโดนมันสัตว์เดี๋ยวโดนมันสัตว์คือกายไม่ได้กายไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วถ้าทายปฏิบัติในชั้นของการทำลายอาสวะในจิตแล้วนะกายไม่ได้มีความหมายอะไรนะตอนนั้นก็คือเป็นคือเป็นตายคือตายไม่เป็นก็ตายไม่ตายก็เหลืออยู่เนี่ยก็แค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของกายกายมอยากจะตายก็ตายไป ไม่สนใจพ่อหลวงปู่คอนสุพูดกอกหูอยู่ตลอดไอ้มึงตายเหอะฟืนเผากูยังมีอยู่นะกูจะเผาเอ ง, นะงนั่นหลังเนี่ยจะไปกลัวทําให้ความตายมันก็มีอยู่ตมาก็ตัดฟืนไว้เยอะเองท่านก็สั่งให้ตมาตัดฟืนมากรองท่วมหัวตลอดจะไม่มีเผาได้ยังไงเนาะก็ตัดฟืนไปเผาตัวเองนั่นแหละดูท่าตอนนั้นนะทําความเพียรนี่เอาแบบ จนลุงปู่ท่านท่านบอกเฮ้ที่ยวานี้แหละกูจะได้เตียวพืนเผาไว้ยังกินทันวะเพอะตอนนั้นตามาล่อแหล่ล่อลแหล่ลหล่อยู่ยนั่นไง <c oughs> ท่านก็สังเกตดูพร้อมก็พร้อมตอนนั้นทําภาผ้าเพียรภาวนามันไม่สนใจกับกายไงนอนหลับก็ไม่เคยนอนมันสนใจแต่จิตกับอารมณ์จิตกับอารมณ์จิตกับอารมณ์อยู่นั่นจับกันอยู่นั่นค่ะไม่ ตัวไหนจะทําให้เราหลงจะหลงไปกับอาการอะไรตัวไหนจะทำให้เราเกิดการยึดตัวไหนทําให้จิตมันมันบอกแอกออกไปจากแนวแห่งการกําหนดรู้อยู่มีไหมบบเราแวดระวังอยู่ตลอดสังเกตอยู่ตลอดไม่สน ใ, นใจใกับการเดินอยู่ในปา่าลมพัดมากิ่นไม้หักทับทับที่หัวก็นะไม่ได้สนใจเดินต่อ บางคนก็นหนีพระบางองค์ก็ไม่สู้มันแปลกประหลาดอยู่ตามายอยู่คนเดียวเลยสู้อยู่บนภูเขาเหนึ่งก็สัตย์จรด้วยสัตย์จรสองคำของครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ทําด้วยมันมันบีบอยู่มันบังคับอยู่บังคับอยู่ในตัวสามความเพียรที่เราจะต้องจัดการคือถ้าเราไม่อาศัยเหตุแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เป็ น, เ, ปนเครื่องกํากับแล้วนี่มันจะมีช่องให้ออก เมื่อมีช่องให้ออกมันก็มันก็มันก็เหลีวจิตนะ่ะจิตมันเล้วได้ตลอดเวลามันมีช่องไหลออกของมันอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องมีพวกนี้เป็นเครื่องแวดลอ้อมเป็นเครื่องบีบเป็นเครื่องกำกับหรือพวกนี้คำสั่งของผูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ฝืนไม่ได้จริงๆฝืนก็ได้คือไม่ทําตามก็ได้ไม่เป็นไรเใช่ไหมแต่เราจะเอามาเป็นเครื่องบีบเรา ว่าอุูบาจารย์ท่านบอกมาอย่างนี้ท่านสอนมาอย่างนี้จริงๆท่านก็พูดไปตามภาษาท่านน่ะเข้าใจไหมคือการสอนน่ะการอบรมสั่งสอนท่านก็พูดไปตามภาษาท่านแต่ใครจะไปจับเอาคําของท่านมาเป็นสาระในการที่จะอบรมใจตัวเองฝึกฝนใจตัวเองเพื่อที่จะตีกอบให้กับจิตอยู่อย่างงั้นท่านบอกให้ขึ้นเขาก็ต้องขึ้ น, น, นพระองค์อืน่นเขบอกก็บอกว่าวันนี้มันขึ้นไม่ไหว ก็ไม่ขึ้นแต่ามาบอกว่า mm. เมื่อครูบาอาจารย์บอกให้ขึ้นต้องขึ้นบอกตัวเองอย่างนี้ขึ้นป้าก็ขึ้นจะฝนตกยังไงก็ตามก็ต้องขึ้นปีนเขาลื่นทถลยทุลักทุเลใจหนึ่งบอกให้กลับไม่กลับพอครูบาอาจารย์บอกให้ขึ้นก็ขึ้น mm. มันได้ประโยชน์ไหมแรกๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกแต่เราได้ประโยชน์ในภายหลังเรารู้ว่ามีประโยชน์ในภายหลังในการที่จะเป็น เครื่องแบดล้อมจิตทําให้จิตของเรานี้ไม่ให้มันไหลไม่ให้มีพ่อแม้ไม่สร้างพ่อแม้ไม่ให้สร้างเงื่อนไขไม่ให้สร้งงางเหตุผลให้ตัวเองไม่ทําตามอะไรที่นี้มันมันก็เลยได้ดีได้ดีในจุดนี้มันอยู่ที่เราจะไปจับเอาสาระในสิ่งที่ท่านพูดนะ ม, ามาสร้างสาระในตัวเราได้ยังไง จริงๆตอนปฏิบัติมันก็หน้าตายอย่างจริงนะดูเหมือนแล้วอาตมานี้หน้าตายมากเลยนะมันที่เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยไม่เคยไม่เคยเหน็ดเหนื่อยจนถึงขนาดว่าหมดสติขนาดนั้นก็ได้เป็นโดยธรรมชาติของเราเวลาเหน็ดเหนื่อยเราจะพักใช่ไมนะ่หลับอันนี้เหนื่อยเราไม่ได้พักถามว่าจิตเป็นยังไงจิตก็คือตั้งรับรู้อยู่ ความเป็นของไก่สุดท้ายมันคือตายตายยังไงคือตายแล้วก็จะเห็นสภาพแห่งความที่เลยความ เ, เหนื่อยไปนะปุ๊บมันก็อ่อนแรงอ่อนแรงปุ๊บการรับรู้เริ่มเริ่ ม, มหดตัวลงตาก็เริ่มท่าฟ้าก็เริ่มหมองลงมันก็เริ่มอะไรความรู้สึกจะย่นอยู่ภายในใ น, ในจิตใช่ไหลังมันไม่ได้ออกไปภายนอกแล้วอาการหมดสตนะิมันก็พึบลงไปเลย ข, ข้างเสาที่เสาสลากกำลังเทปูนอยู่มันตอนนั้นทำสลาอยู่ปูสั่งให้ทำปืดหมดเลยพอหมดสติไปตามาก็นั่งทิ้งเสา อ, อยู่ไม่รู้นานเท่าไหร่ได้ยินเสียงปูเรียกปูเรียกเอ้ยต้นสติเริ่มกลับคืนมาด้วยความรู้สึกของเราว่าเวลาท่านเรียก เราต้องรีบไปดูแลท่านคือด้วยความเคยชินนะนะนกปู่เขาเรียกว่าต้นต้นต้นอะไรประเภท น, เนี้เราต้องรีบอ่ะมันก็เลยตอบสนองแบบอัตโนมัติเลยรีบไปหาลูกปู่เพราะไปหาไม่ทันนโดนเป็นเรื่องเลยนะพอรีบเสร็จปุ๊บปั๊บขึ้นมาเอานี่เมื่อกี้เราเป็นอะไรไปเนี่ยมารู้สึกตัวท่า น, นลูกปู่ก็ไม่เห็นมองไปลแล้วก็ค่อยๆเดินไปหาลูกปู่ลูกปูเมื่อกี้ลูกปู่เรียกผมเหรือไม่ได้เรียกกอนไร แต่เสียงเรียกไม่รู้จางไงนมันไม่ดีเองมันมันมีอะไรป้องหกิตเรามเหมือนกับคิดเขาเรียกว่าก่อนที่มันจะบทสติลงไปอ่ะมันจะมีความรู้สึกหนึ่งีว่าลุง ป, ปู่จะเรียกใช้เรานเขาเรียกว่าอะไรอย่างเนี้ยไม่ใช่อนุสติแล้วไม่ใช่สามันสํานึกแหละที่มันมีความรู้สึกว่าลุง ป, ปู่เรียกใช้เราถ้าถ้าเราไม่ไปเนี่ย คือเราเคยสนองงานท่านอยู่ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านจะเรียกใช้เราอยู่ตลอดพอเราไม่ไปมันก็เหมือนกับว่าไม่มีใครรู้เรื่องที่อยจะจัดการกับท่านในเวลานั้นว่าควรจ ะ, จ, ะจัดการอะไรในข้อวัดปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เลยพอตัวเนี้ยเขาเรียกกังวลเลเอกังวลก็ว่าได้กังวลอยู่ว่าหลวงปู่จะเรียกเราใช้ใช้เราแต่ก็รู้ดีว่าเรากำลงกังจะบมดสติ แต่ตัวกังวลนี่ว่าเอ๊ะลูกปูเรียกให้เราแล้วแล้วเราจะยังไงีเนี้ยมันก็ก่อนที่มันจะหมดสติมันคิดอย่างนี้ไว้ก่อนที่มันจะดับลงไปทีนก็ดับบูบเลยทีนี้ดับบูบไปเลยไม่รับรู้อะไรรับลู้อีกทีหนึ่งตอนได้ยินเสียงลูกปูเข้ามาในหู ด, ดังมากเลยนะก็รีบตื่นเลยตัวนี้มันเลยไปปลุกเราไ อ, ไอตัวกังวลนี่มันเลยไปปลุกกระแสะจิตลึก นี่เอ ท, ที่คนที่เข้าฌานสมาบัติที่พระเจ้าบอกว่าให้ทำการตึกนึกไว้เรียกว่ามณสิกานใช้คาว่ามณสิการสิ่งที่กำหนดไว้ในใจมณสิการไหมก่อนที่จะเข้าฌานสมาบัติด้วยเหตุสี่ประการหรือเสี่หรือสาประการพนมพรสี่ประการก่อนเข้าฌานสมาบัติหนึ่งเมื่อมีเหตุประชุมสงฆ์เกิดขึ้น กำหนดไว้เลยให้ออกจากฌานเพราะตอนที่อยู่ในฌานมันไม่มีเจตนาในในความคิดแล้วนะไม่มีเจตนาที่จะเข้าหรือออกพอมันลงสู่แล้วสู่ฌานแล้วมันจะปราศจากเจตนาแนละ้วใช่ไหมต้องมาณสิการค้างดีก่อนถ้ามีเหตุใดก็ตามทางสงฆ์ทางโลกที่เกิดขึ้นปุ๊บไอตัวมนานสิการจะเป็นตัวรับรู้เหตุภายนอกเมื่อรับรู้เหตุภายนอกปุ๊บมันจะเข้าไปปลุกจิตที่อยู่ในฌานขึ้นมาให้ออกจากฌานแล้วก็เข้าไปร่วมจิตของสงฆ์ หนึ่งมีกิตของสงฆ์เกิดขึ้นให้ออกออกจักชาซ้ออะไรจำไม่ได้สองสามอย่างนะประมาณนี้มันจะเป็นทำนองเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันอันนั้นเป็นการบทสติแต่ใจของเรามันยังตั้งอยู่ตั้งไว้อยู่ว่าไอ้หลวงปู่จะเรียกใช้เราี่ แต่ที่สอนมาทั้งหมดไม่ได้ให้ไปทําแบบอาตมาแบบอุ ก, กิจเอาเป็นเอาตาแบบนั้นไม่ใช่นะเพราะตอนนั้นไม่มีใครมาอธิบายทําแจกแยงวิธีการอย่างนี้ให้ทราบจึงต้องสอนจึงจึงต้องทําความภาคเพียรอย่างนั้นแต่ที่นี้อาตมานำมาบอกมาสอนเพื่อให้พวกเราเนี่ยทําได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปลําบากในการสอนหรื อ, อลำบากในการทําอย่างนั้นนะให้มันง่ายขึ้นนี่คือระดับง่ายขึ้นแล้วที่บอกไปนี้ แม้จะยากแต่ให้เข้าใจว่านี่คือง่ายแล้วคืออย่าไปเอาอะไรที่มันง่ายกว่า น, นี้ถ้าเอาอะไรที่มันง่ายกว่า น, นี้มันไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหรเท่าที่ควรวิธีง่ายมันก็มีสอนง่ายๆอะไรมันก็มันก็มีอยู่แต่ก็ไม่อยากให้ใช้วิธีง่ายๆนะ4โมงแล้วเนี่ย พอแล้ววันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้ว